Thank <laughs> you. ทัสักภควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมุทตะสักนโมตัสัควตโตอรหัตโตสัมมาสัมุทตะสักนโมตัสัควตโตอรหัตโตสัมมาสัมุตสะ ขังสนังคัจฉามิธัรมสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรมมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสรังกัจฉามิทัติยมปิพุทธังสรังกัจฉามิ ตัติยมปิธัมมังสรนังกชามิตัติยมปิสังคังสรนังกชามิ ต, ต, าาม ต, ติสรนักขมนังนิทิตตัง จเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้วันที่สิสตุลาคม2557นหเจ็ดแรมหค่ำเดือนส1อดปีมะเมีย ม, มาถึงวันนี้แล้วกี่วันกี่เดือนมาแล้วนี่ที่เราได้ เปิดวโนบอ์กันมาเรียนกันมาเนี่ยะสามเดือนสามวันโอ้สมเดือนสามวันคู่สามเลขคู่สามวันสามเดือนสมเดือนสามวันยังดีนะเพาะเราก็ยังพร่องไปไม่ถึงครึ่ง อ่าพร่องไปไม่ถึงครึ่งนะยังมีผู้ที่น่ารักน่าชื่นใจที่ยังใส่ใจในเรื่องของโล ก, กุตระในเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสว่าเป็นเรื่องยากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องยากเท่ากับผู้จะได้เกิดมาเป็นคน เ, เขาแต่ละทีแต่ละทีเนี่ย ยากยากปัปานกันแล้วก็ยากเท่ากับแต่และกาละที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งยากปัปานกันสามอย่างหนึ่งจะได้เกิดมาเป็นคนนั้นยากสุวเรื่องนี้อัตมาก็ขยายความให้ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาพูดแล้ว คนเรานี่ตายไปแล้วตกนรกอย่างที่ พ, พระเจ้าท่านตรัสตายแล้วจะได้มาเกิดเป็นคนอ น, น, น้อยกน็น้อยนักส่วนมากตกนรกนะไม่ได้มาเกิดเป็นคนได้ไง่ายๆเพราะฉะนผู้ทีเกิดมาเป็นคนเนี่ยยากเท่าเทากับพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกสักองค์หนึ่งแต่ละกาละเนี่ยนะ มันไม่ใช่ธรรมดาแค่ร้อยปีพันปีหมื่นปีแค่นั้นมันนานกว่า น, นั้นนานกวเป็นแสนปีล้านปีกว่าจะเกิดมาสักกว่าจะมีอุบัติพระพุทธเจ้าสักองหนึงการให้รู้โลกุตระหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าทันตพระธรรมะของท่านพรหมจัน์ของท่านศา ส, สนาของท่านการให้เข้าใจให้รู้จักหรือเผยแพร่ให้รุ่งเรืองเนี่ย นะเผยแผ่ให้รุ่งเรืองเนี่ยยากขนาดพระเจ้าจึงบอกว่าท่านเผยแผ่ให้รุ่งเรืองนี่ยากท่านนะท่านมาทําให้เผยแผ่นะท่านมาเผยแผ่ท่านมาเผยนะท่านมาทําให้รุ่งเรืองนะยากนีท่านอยู่ทั้งองค์แลนะอาตมาเองแค่นี้มันจะยากแค่ไหนอาตมายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็ยุคนี้ด้วย โอยุคนี้ยุคไหนยุคที่พระเจ้ายังไม่กล้าเกิดเลยยุคที่พระพุทธเจ้ายังไม่กล้าเกิดเล ย, ย, พ เ, ย, ล เ, เ, ลยเพราะเกิดมาก็เสียของนะบัดาเกิดมาเสียพระพุทธเจ้าหมดไม่ได้เลยอก็ต้องให้บรรดานี่แหละอย่างอรรมานี่แหละโพธิสัตว์ที่มาทําไปสืบสารไป สืบทอดไปนะก็ <c oughs> ยังได้ขนาดนี้ก็ดีนะในรุ่นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้นนได้พระอรหันต์แค่1250ในวันมาะบุชาหมายความว่ามันมีเป็นเครื่องชี้บ่งเป็นเครื่องชีว้วัดว่ายุการที่มันยากนะคนมันมีไม่รู้เรื่องของโลกุตระ ยุคสุดท้ายของพรนะเจ้าน้แม่มันเหลือเขี่ยวคนเหลือแค่พอรหสบรูปมาข้าบูชากั่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าบางองค์มาข้าบูชาต้องไม่รู้กี่ครั้งครั้งอะไแต่เป็นล้านองค์ยังมีเลยมีอรหันเป็นล้านองค์ซึ่งมันคนละเรื่องเลยสัตตมานี่นะอรารามว่า แค่คราวใดมีคนสัก25ค น, นก็นมุนแล้วนะ <c oughs> เ, เพราะฉั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยอยู่กันไปตลอดเนี่แหละจะถือว่าเหมือนอยางมาคะนี่นะมารวมกันโดยไม่เน้นแม้บายอาของเราก็ไม่ใฉ่อย่างนั้นทีเดียวเราก็เอาแค่ของเราว่าอาชุมชนเรานี่มีสักร้5ยคนก็ไม่ อยู่แค่นแค่นแก่นร้อยยี่ห้าคนไปได้นะ <c oughs> ไปได้แค่จะไม่อยู่ก็ไม่ว่ากันเหลือสักร้อยยี่ห้าอุ่นละอุ่นใจละร้อยยี่หาคนไปได้อ่าโอ้โหดูสิอาตมาเข็นจะให้เป็นสักพันคนนี่จนป่านนี้ยัง ย, ยังไม่ใกล้เคียงเลย <c oughs> อ้าวไม่เป็นไร อาตมาเน้นที่คุณภาพให้ชุมชนเข้มแข็งไม่เน้นปริมาณเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นลากไม่ยากกว่าแหลนเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค้นแค้ น, ะ น, นไม่เอาเอาจริงๆเน้นกันให้นั่นกกว้างนะอาตมาเอาอยางน้น เพราะว่าอย่างนั้นเป็นไปของตายมันได้แล้วก็ได้เลยยังไงยังไงมันก็เป็นเป็นทองแทะปริมาณนั้นเอาเถอะมันรายไปตามเนื้อเนื้อแท้นะมันมีเหตุปัจจัยอื่นมาร่วมเยอะแต่อันนี้มันของแท้ของจริงใครได้ใครก็ใครไปเลยเป็นของแท้แล้วมันไม่แปรเปลี่ยนดีอัตมนำความลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง14ประการ ที่ได้ว่าไว้เก่าแล้วตอนนี้ก็เอามาขยายความเอามาบรรยายเอามาขยายความเอามาเผยแผ่ให้เข้าใจกันว่าเราก็ต้องช่วยกันทำความเข้าใจแล้วก็จะได้มีทั้งความรู้และมีทั้งพลังที่เราจะได้เสริมสร้างสารเสริมสร้างขึ้นมาให้มันครบข้หนึ่งเป็นสังคมที่เห็นได้ชัดถึงลักษณะของคนมีศีล มีคุณธรรมมีอาริยะธรรมก็ขอขยายความไปให้มันละเอียดนะเพราะว่าเรามันเป็นนักศึกษาต้องฟังไปปีแล้วปีเล่าไม่ใช่ปีเดียวด้วยกำหนดกันอย่างแค่ปริญญาตรีก็แคป่ปัญญาตรีพูดถึงปัญญาตรีแล้วเนี่ยมีข่าว หมอประเวศก็ตั้งแล้วตั้งวิชาไยแล้วก็จบปัญญาบัตรหมอประเวศใช้พยัญชนะนะว่าวิชารามเออไม่ใช่วิชาไรไม่ใช่วิชารามแต่มันใช้ว่าเป็นมหาวิชาไรใช้มหาวิชาไรเลยเจอคุณเจอ มอประเวศนะมหาวิชัยแล้วก็ใช้ปัญญาบัตรด้วยใช้คําว่าปัญญาบัตรได้ไม่ขึ้นต่อรัฐเอาสิไม่ขึ้นต่อรัฐตั้งเองเลยเอาเองเลยนะอะไรนะฮะ อ, ะอยู่เชียงรายมอประเวศเอาละมหาวิชัย เอาลักล่เคียงกันดีแล้ ว, เ, เ, รวนน เ, เรียกว่าคู่ขนานเรียกว่าคู่ขนานเ็าเราวิชารามปัญญาบัตรเหมือนกันแต่อัตมาว่าแล้วปัญญาบัตรช่ต้องคำมันเราัหมใครจะแน่จริงกันเนาะเอาเอ า, เอาละไม่ต้องต่อพอแล้วลักษณะ ขอขยายความไปเลยนะตั้งแต่คำว่าลักษณะของคนมีศีลเพราะคำว่าของคนมีศีลนี่ไม่ใช่ไปถึงก็มายังพันเตวิสุงวิสุลขลัคนทายะติสระเนนะสหะนะเอาแล้วก็เสร็จแล้วก็พระก็ให้เลยศีล <c oughs> ปานานติป้าต้า เวรมัญญาสิงคาปนดังสมารถยามิาผู้ที่รับศีลก็รับไปด้วยเลยปานาติปาตาเวรมสิกาปังสมารถยามิอันินนาทานะเวรมัย่าสิงคาเป็นดังสมารถียามิ อาจะมาให้เล่นลูกคอยังได้เลยแต่ว่าไปขนาดนี้ก็เลืกกินนั่นแหะซึ่งพวกนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันก็ร้องด้วยเสียงอันยาวที่พระเจ้าท่านห้ามแล้วก็ไม่แล้วก็เล่นกันไปแต่ว่าได้ใส่แล้วเสียงอันยาวเลยใส่ทำนองมันจะเลยใส่ไปกันใหญ่ข้อไปพูดไปก็ไปติไปเตียนเขาไป มันก็ต้องตีล่ะนี่ขันให้นี่ข้ารหังปักขันให้ปักข้ารหั ง, ก, ก, าหาหงก็ไม่รู้จะทํำยังไงไมัน ไ, ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วาำมาเขาไม่รู้ว่าไงนะก็เอาเสร็จแล้วก็ได้ว่าเออได้พยัญชนะไปก็มีความเข้าใจอยู่บ้างว่าเราเว้นขาดการฆ่าสัตว์นะเว้นขาดการเอาของที่ไม่ใช่ของเรานะ เป็นขาดการจากผิดพวะเขาเมียใครนะเป็นจากการพูดปดเพ้นจากการไม่ดื่มเหล้านั่นแะปลสรุปเอาแต่แค่ไม่ดื่มเหล้าด้วยทั้งๆที่นะสุราเมีระยะมัชฉะมันมีความหมายกว้างกว่านั้นมันไม่มีความหมายไม่ใช่หมายความว่าน้ําเหล้าน้ําแล้วบอกไปอะไรเมไรคือเบียร์และมัชฉะคืออะไรอ่ะนะ คือวายคือเขาก็แปลไปเป็นซึ่งมันเป็นพระชนะมันมันเป็นรูปธรรมหมดเลยมันไม่เป็นนามธรรมเลยเ น, นสุระกล้าเมริยะกรองลงไปมัชชะก็ลึกซึ่งเมามันเป็นความเมาทางจิตจิตที่เป็นองค์ประกอบที่มีเหตุปัจจัยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นก็ยึดถือกันโดยเฉพาะภาษา แล้วก็ปฏิบัติบ้บางคุมกายคุมวาจาเดี๋ยวนี้ก็สอนกันอย่างนั้นอันตมาเอาพระธรปิฎกเล่มยีสี่ไปยืนยันตามกิมัติยาสูตรค้อหนึ่งเลยเล่มยี่สี่ในข้อหนึ่งกิมัติยาสูตรกับข้อ208้ท่านก็ตรัสไว้ชัดว่าศีนนั้นน่ะนะศีนที่เป็นกุศลย่อม ถึงอรหัตผลให้บริบูรณ์ยังย่อมยังไม่ใช่ย่อมถึงย่อมยังความเป็นอรหัตผลให้มันบริบูรณ์ไปตามลำดับศีลเนี่ยทำให้เกิดอรหัตผลอรหัตผลไม่ได้หมายความว่าได้แค่กายกับวาจากายกับวาจางให้ตายไปล้านชาติก็ไม่ได้เป็นบรรลุธรรมไม่ได้ถึงถึงเข้าเข้าขั้นว่าจะทําให้เกิดผลควบคุมกายควบคุมวาจาเท่านั้น เพราะมันจะบรรลุธรรมมันบรรลุจิตใจดังนั้นศีลต้องขัดเกลาใจใจต้องลดละมันจึงจะเรียกว่าปฏิบัติศีลเป็นคนมีศีลมีตะกายกับวาจาก็ดีอยู่หรอกมันก็ไม่ประพฤติทางกายวาจาแต่มันไม่ใช่การบรบรลุบรรลุศีลบรรลุธรรมหรือว่าธรรมเป็นอัธิ ทำเป็นอธิเป็นอธิสิณอธิจิตอธิปัญญามันไม่เข้าถึงจิตที่เป็นอธิจิตไม่ได้มีปัญญาที่รู้ว่าอ้อบรรลุเป็นอย่างนี้แล้วกิเลสลดลงไปเป็นอย่างนี้มันต้องอ่านใจเป็นมณสิกาหรือมณสิกโรติเป็นนะจึงจะเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีคุณธรรมมีธรรมะที่เป็นคุณเป็นผลอ่า ต้องเอาที่ลดกิเลสเมื่อเข้าใจศีลอยู่แค่นั้นไอ้ที่เข้าใจศีลอยู่แค่นั้นแล้วยังไม่ชัดว่าจะผิดจริงกายกวาจามันผิดจริงตรงที่ว่าแลสมาธิละ่ะศีลสมาธิปัญญาศีลได้อยู่แค่กายวาจาแล้วสมาธิละ่ะไปนั่งหลับตาเอาแยกไปอีกส่วนหนึ่งมันก็เลยไปหัน ไตรศิขาพระพุทธเจ้าเลยหันเป็นชินช้นๆชิ้นหนึ่งส่งไปหัวรัวโลกเหนือชิ้นหนึ่งส่งไปรัวโลกใต้เลยสมาธิกศีลบอกว่าเป็นบาดฐานกันเป็นสิ่งที่เอือเอ้อเกื้อกูลกันให้ทําให้ส่งเสริมกันไม่ส่งเลยหันเอาไปรัวโลกเหนือหันไปแยกเป็นัวโลกใต้เลย แทนที่จะส่งเสริมกันโอ้แทนที่จะจับมาส่งเสริมกันหันไปเลยออกไปกายวาจาก็ลืมตาส่วนใจก็ไปหลับตาเอาสิมันก็เลยไปกันใหญ่เลยแล้วเมื่อไหรมันจะไปกันด้วยกันละจ๊ะนะ ศีลล้วก็บอกลืมตาได้กายวาจาบอกจะได้สมาธิไปหลับตาเอ้าจะให้เป็นยังไงกันนะแยกกันต่า ง, า ง, างๆนานารงนี้แยกกันละเอียดแยกกันหลายอย่างอาตมา ก, ก็ยิบมาพูดนี้มันครบๆนะส่วนปัญญาก็ไม่รู้ไม่สัมพันธ์เลยปัญญาก็ไม่รู้เรื่องรู้ ร, ราว บอกว่าจะปัญญาไปรู้ไปเห็นก็เป็นเรียกว่าวิปัสนานใช้สำว่าวิปัสนาเหมือนวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณก็กลายไปไปเห็นะระลึกไปเอ้าจะกดจิตไปประเดียปัญญาก็พ้งขึ้นมาเองมันรู้มาเองอไม่ไล่เลียงไปมันรู้ตั้งแต่รูปตั้งแต่น้ำตั้งแต่สัมผัสตาหูจมูกดินกาย สัมผัสรูปธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันให้ความรู้สึกมันให้ความเป็นยังไงใจยังไ ง, ง, ไ, งไม่รู้เรื่องนะเพราะนั้นปฏิบัติศีลก็ไม่ได้คุณธรรมอ่าไม่ได้คุณธรรมอาจจะบอกว่าได้เหมือนกันก็ได้ได้สำหรับสมมติสัจจะทางรูปนอกก็เป็นคุณธรรมโลกีไม่เป็นอารียธรรมไม่เป็นโลกุตธรรมอ่า อริยะของพระพเจ้าคือจะต้องจิตต้องละหนายจางคลายะละนายจางคลายโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้เรื่องมันลดมันละได้ไปโดยอัตโนมัติโดยบอกไม่ถูกไม่รู้รู้แต่ว่ามันลดมันลดยังไงจิตเป็นยังไงเห็นอาการลิงคะนิมิตไม่เห็นรูปเห็นนามเห็นนามมารูปเห็นอาการของจิตจริงๆไหมบอกไม่ได้ ไม่รู้เรื่องอานไม่ออกบอกไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นไม่เข้าถึงปรมัตต์ตามที่พูดกันอยู่เองว่าปรมัตต์คืออะไรก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตคืออาการยังไงก็ไหลไปพยัญชนะเป็น ด, งดวงๆเรียนพระ อ, อภิธรรมไปเจตสิกก็แยกไปรูปก็แยกไปรูปยี่ แยกอรูปในใจรูปอุปาทายใจรูปรูปยีแปดแยกไปเป็นอุปาทานใรูปยีบสี่ดินน้ำไฟลมสี่ก็แยกเรียนกันนะแต่ก็ไม่รู้จักรูปไม่แย่ไม่เกิดยานรู้นะไม่มียานที่จะรู้ความจริงนั้นเพราะงั้นก็เลยไม่ขึ้นไม่เข้า ในข้ออริยธรรมนะเพราะว่าไม่ได้รู้จักจิตเจตสิกรูปรูปคำนี้คือนามนามรูปถ้าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคำว่ารูปขันนั้นใช่เป็นรูปรูปรูปข้างนอกถ้ามีส่วนที่เราประชุมรู้มีนามมีรูปมีตัวกายใจ กายกับใจหรือนามกับรูปหรือคนกับจิตสัมผัสสัมพันธ์กันก็เป็นรูปประกายถ้าตัวมันเองก็รู ป, ป ร, รูปถ้ามีจิตก็ไปร่วมเมื่อไรก็เป็นรูปประกอายเป็นรูปประกายมีรูปสัมผัสอยู่รลัดๆัดเรียกว่ามีรูปประกกายมีองค์ประชุมของจิตของเราด้วยและของข้างนอกด้วย มหาภูต ร, รูปด้วยจิตของเราด้วยเรียกว่ารู ป, ปกายถ้าเลื่อนกันไปแต่เฉพาะข้างในก็เรียกว่านามกายอ่านแต่เฉพาะข้างในเลยยิ่งเป็นนามกายแท้ๆองค์ประชุมของนามเพราะคำว่ากายคานี้แหละขาดนามหรือขาดจิตไม่ได้แต่ขาดรูปได้ คำว่ากายเนี่ยขาดรูปได้ในระดับลึกซึ้งสุดแล้วเหลือขั้นอะรูปนามมาทาขั้นอะรูปถือว่าขาดจากรูปได้เลยจต่ขั้นอรูปขั้นรูปนะขั้นรูปนะจขั้นรูปประพบดูปาวจรก็ยังกึงก่ง นะยังกึง่งๆนะส่วนอะรูปถือว่าขาดจากมหาภูต ร, รูปได้เลยมันเหลือระดิกระมันเหลือพิวปลายมันเหลือเฉพาะตรงนั้นจะมีรูปไม่มีรูปมันก็เกิดขึ้นเองได้เลยอรูปนะส่วนรูปปาวจรนั้นกระทบข้างนอกก็ เป็นอนาคามีแล้วเป็นต้นอนาคามีแลกระทบรูข้างนอกเนี่ยไม่มีฮิริโอตปะรู้ธรรมะพอไม่ไม่สังขารไม่ปรุงด้วยไม่เอาด้วยยาข้างนอกไม่เอาแต่ใจมันยังปรุงอยู่เป็นอภิสังขารเป็นสังขารในข้างในซึ่งจับยังไดอนาคามีไม่เอา มีฮิรีมีโอตะปะเพียงพอจริงไม่ทำรู้จากบาปจากบุญไม่เอาไม่ละเมิดบาปข้างนอกแต่ข้างในมันยังมีอาการนะพอสัมผัสข้างนอกมันก็มีอาการได้หรือบางทีไม่สัมผัสข้างนอกก็มีมันก็มีแรงแล้วเกิดเองไม่มีข้างนอกแล้วมันก็เกิดขึ้นมนอยู่จะดูปาวรจรได้ มันก็แรงกว่ารูปปาวจรพอขาดรูปนอกได้ขาดรูปรูปได้กายในขาดได้แต่ขาดนามไม่ได้เลยคำว่ากายทีนี้มาเป็นภาษาไทยคำว่ากายไม่มีนามเลยนี่คือความ พลาดของศาสนาพุทธอย่างสำคัญแล้วมันจะไปบรรลุธรรมได้ยังไงพิจารณากายคตาสติกายในกายยิงวิโมก8แปดต้องสัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายมืดหน้าเลยพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหม กายก็แปลในเพื่อจะด้านนุนกรมของปาลีไทยเขาก็แปลไว้ดีเขแปลว่าองค์ประชุมไปว่าองค์รวมไปว่าสิ่งที่มีส่วนร่วมรวมอยู่ของรูปน้ำเขาก็แปลไม่ได้ไปแปลไว้นะแต่ความเข้าใจหรือว่าความรู้หรือว่าปัญญามันหายไปแล้วมันขาดไปแล้วมันหล่นไปแล้วโลกุตระธรธรมนี้หมดไปจากสังคมพุทธแม่เมืองไทย กรแสหลักก็ไม่เอาแล้วกระแสหลักก็ไม่เข้าใจตัวนี้เมื่อไม่เข้าใจมันก็เป็นไปไม่ได้จะปฏิบัติตามพญชนะเทตนบอกกายต่างๆนานาส า, า, ารพัดไม่รู้ไม่รู้สภาวะจริงมันก็เลยไปไม่ได้ นะเพราะงั้นแม่แต่คําว่ากายสังขารก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันกายสังขารก็ไปปรุงแต่งเป็นดินน้ำไฟลมเท่านั้นแท่งก้อนนี่คือกายสังขารดินน้ำไฟลมตัดจิตออกเลยแล้วมันจะไปรู้เรื่องได้ไงพิจารณากายสังขารว่าจิตสังขารว่าจีสังขารได้ไงมันไม่ไดนะ้มันไม่ถูกมันก็ได้ได้ปร มันก็ไม่เต็มเต็งอ่ะยังไงก็ไม่เต็มเต็งอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่กายมันก็ไม่ได้แล้วเพราะงั้นก็เลยเข้าใจเอาได้ง่ายๆเลยว่าเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรข้างนอกจะมาปฏิบัติตากกระทบรูปอยู่จะต้องมีสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายพระหิทธารูปานิอะไรก็ไม่รู้เรื่องต้องมีภายนอกภายในอะไรอยู่ให้วิโมกข์แปดมันครบครันอยู่ในกายเห็นองค์ประชุมทั้งหมดพระหิทธาก็ไม่มีความหมายเลย ว่าภายนอกต้องมีบม่ได้ขาดภายนอกยังมีโมกข้อที่สองเขาไม่มีความหมายเขาไม่เข้าใจสมาธิเขก็วิโมกแล้ววิโมกเป็นสมาธินะเขาเข้าใจวิโมกดีคือการทําสมาธินะการเกิดสมาธินะแต่สมาธิของเขาต้องหลับตาเพราะิโมกก็ต้องหลับตาพมเข้าใจอย่างินเห็นว่ามันฟังแล้วมัน หน้าของศารมันมันไม่เต็มเต็งอ่ะมันไม่ครบมันก็เลยไปไม่ได้ น, นี่ก็อาตมาก็วิจัยวิจารบอกว่าตำหนิที่มันบกพร่องมันผิดไม่ได้ชังได้โกรธเลยไม่ได้เกลียดสงสารไม่ได้พูดเล่นเรนะไม่ได้พูดเล่นสงสารที่โอ เขาก็อยากได้จริงๆนะอาตมาก็เห็นใจนะอยากได้จริงๆนะแต่ก็ไปยึดน่ไปติดตัวเองที่ยึดยึดมั่นถือมั่นนะอาตมาก็ไม่รูปไม่หล่อพ่อไม่รวยเนาะเกิดมาชาตินี้ก็ไม่มีอลังการจบป ร, ริญญาป ร, ริญญาอะไรมาบัางยังไม่มันไม่เลยอ มันน่ารังเกียจเอาจังเอานักเอาหนาจริงๆนะจตมานี่ไม่ไม่มายอมรับก็มีแต่พวกคุณตาเปียกๆโปโอนี่มายอมรับได้โอ้นะอ่าสุเดนทาเขาไปเจอเนี่บอกว่าเอากายปัิสัทธิมีในสมัยนั้นเป็นไฉน ามาขยายความดูตามคำตรัสพยัญชนะพรนะพุทธจ้าดูบ้างเพิ่มกายปัจสัทธิหมายความว่าองค์ประชุมนั้นสงบกายคือองค์ประชุมองค์รวมของรูปนามนาสงบเพราะฉะนั้นถ้าไปเข้าใจว่ากายคือร่างสงบเขาก็ต้องกายก็ต้องหยุดทุกอย่างเพราะเข้าใจว่ากายปัจสัาิคือสงบ ต้องร่างสงบเขาก็ไม่กระดุกกระดิกเลยเพราะวากายไม่กระดุกกระดิกปัจสธิแล้วสงบแล้วซึ่งมันไม่ใช่เลยมันก็เลยกลายเป็นนิพพานหรือว่าสงบคนสงบสงบกิเลสมันสงบหรือว่ามันบรรลุธรรมมก็คือสงบจิตสงบจิตสงบ โดยคำว่ากายต้นเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาไปตัดจิตทิ้งแล้วก็ได้ต่กายสงบนี่บอกกายประสตทิปฏิบัติ ต, ต่อไม่ได้ก็จัดนั่งนิ่งละหลับหูหลับตามิดเลยแล้วมันจะไปเรียนรู้จได้ยังไงกายประสติกายประสตทิมีในสมัยใดหมายความว่าในวาระของวาระที่เราร่วมอยู่ด้วยสมัยเนี่ย และก็มีาธาตุรู้ร่วมอยู่ด้วยในกาละนั้นในสมัยในสมัยนั้นเป็นฉไหนะการสงบการระงับฟังให้ดีนะการสงบการระงับกิริยาที่สงบระงับมีกิริยาอาการสงบระงับความสงบระงับเขาก็พยายามไปแปลมาจากบาลีทั้งนั้นมาเป็นภาษาไทย แต่ทีนี้มันชัดตรงนี้สิแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนและเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นกะเป็นร่างเลยเป็นร่างข้างนอกเลยฮะเป็นดินน้ำไฟลมข้างนอกเลยเวทนาสัญญาสังขารขันเนี่ยเห็นไหมความสงบระ ง, งับความระ ง, งับความเวทนาสัญญาสังขารทอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับร่าง ไม่ได้เกี่ยวกับร่างเลยอตาตมาไม่อยากพูดคําว่ารูปเพราะรูปก็เข้าใจผิดไปรูปก็คือภาพภายภาพเป็นรูปร่างเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณอีกจริงจริงมันก็วิญญามันรูปมันมันจริงๆมันก็คนจะถูกด้วยซ้ำแต่ก็ไปเข้าใจว่าเป็นร่างเท่านั้นอตาตมาก็เลยใช้รูปกับคุณก็ยังเข้าใจคุ้มมก็เครือเพราะเป็นภาพเป็นรูปอะไรได้อีก ม, มันยากเนาะ สรุปแรกวว่าคือเวทนาสัญญาสังขาร น, น่ะมันไม่ใช่ร่างเพราะกลุ่มกองหรือหมู่ของเวทนามู่ของสัญญาหมู่ของสังขาร น, นั้นมันสงบในสมัยใดระ ง, งับในสมัยใดไม่มีกิริยาในสมัยใดนี่ชื่อว่ากายปัสจัติในสมัยนั้นนี่กายปัสจัติเอาทีนี้จิตปัสจัติบ้างต่างกันยังไง จ, จิตปัทจิตบังต่างกันยังไงดีๆนะก็คล้ายกันกายสงบการสงบการสงบระงับกิริยาที่สงบกิริยาที่สงบระงับความสงบระงับแห่งวิญญาณขันจิตหมายเอาวิญญาณกายมาเอาเวทนาสัญญาสังขารชัดที่สุดละ วิญญาณขันจิตปัจสัทธิหมายถึงวิญญาณขันในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าจิตจิตตปัสสัทธิในสมัยนั้นเพราะงั้นขณะใดาที่คุณเองมีรูปนามกระทบสัมผัสแล้วอ่านเวทนาเป็นสัญญาใช้เป็นสังขารรู้จัก แล้วก็รู้ว่านี่ทำให้มันสงบระงับไอ้คำว่าสงบระงับเวทนาสงบสัญญาสงบสังขารสงบมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงขออธิบายอันนี้ต่อที่จริงมันควรจะอธิบายในพุทธชีวศิลป์วันนี่มันวันมันควรจะอธิบายไอ้ไปไอ้นี่เนาะแมมันมันเขี่ยวอะ มันอยากจะให้ได้เป็นอหรหันต์ไว้อันนี้มันสังคมนะสรรค่าสร้างคนนี่มันสังคมแต่อาตมานี่มันมันเขียวเรื่องปรมัติก็เลยยากหน่อยฮะหยุดแล้วก็มาอธิบายสัสงคมนีไหมัฮ้ยเฮ้ยๆๆทำไมฮะ <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ยอมไม่ยอม อันนี้นะพวกนี้ก็เปลี่ยนาาสังฆสังขรเอากลับไปเอาเอาเอ า, เอ า, เอาวิชากวิชาเปลี่ยนเลยตอนนี้มันมันเพิล ม, มานี่แล้วก็เปลี่ยนวิชามาเป็นพุทธชีวศิลป์เออเอาอย่างนี้เวลาเรามันจิตมันมันรู้สึกเป็นธรรมรสมันก็เป็นรสที่โอ้โหมันรสชูใจ แม่มาให้ลิ้มลองแล้วเนี่ยเราก็ชื่นใจแล้วจะเอาออกจากปากเราดิป่ะไม่ชิมทำไมชิมแล้วแล้วจะมาดึงออกจากปากได้ไงนะเอาๆต่อนิดหน่อยนะ <c oughs> เพราะงั้นในกายนะมันจึงมีองค์รวมที่ สัญญาเอ้ยไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารให้พิจารณาพวกนี้นะให้อ่านอะไรต่ออไรพวกนี้โดยมันเป็นเจตสิกสามตัวนี้เป็นเจตสิกส่วนวิญญาณ น, นั้นเรียกว่าจิตวิญญาณในจิตนะเป็นไวโพ์กันกับจิตนะ วิญญาณแต่จริงๆจากพระเจ้าศึกก็เป็นไวายพฤษวิญญาณแต่ว่ามันใกล้กว่าวิญญาณใกล้กว่ากับจิตพระพุทธเจา้าถึงบอกว่าถ้าสงบก็ไปเอาตัววิญญาณซึ่งไปอ่านต้องไปอ่านคนคืออะไรทําไมสําคัญนักพระอัตมาแยกไว้ชัดแยกไว้ละเอียดมากอันนั้นในคนคืออะไรนั่นนะทีนี้จิตเนี่ยหรือวิญญาณเนี่ย เอาอันนี้ก่อนจิตวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของนามธรรมอาการของจิตเจตสิกต่างๆวิญญาณหนึ่งรวมในขณะที่ปรากฏฉ้าจะใช้ไวยากรณ์เรียกก็เรียกว่าอันนี้มันเป็น วิสามัญ น, นามเป็นพระพนาวจำเพาะวิญญาณในจำเพาะน ะ, ะเพราะงั้นคุณจะต้องจับตัววิญญาณให้ได้เพราะวิญญาณเป็นพระพนาวเป็นวิสามัญ น, นามแต่คำว่าจิตนั้นเป็นคำบรนณาวคำว่าจิตเป็นสามัญ น, นามเป็นคำบรนณาวเรียกรวม เรียกรวมหมดเลยเรียกว่าจิตนะันเดียวกันกับที่อาตมาก็พยายามอธิบายอัตตาเนี่เป็นคำนแนวเรียกรวมความเป็นตัวตนรวมถ้าสักกายะหรืออาสวะนะั้นเป็นพรบผนาวนะจำเพาะลงไ ป, พงไปเพราะถ้าประกาว่าสักกายแล้วของคุณเองนะ เฉพาะคุณต้องรู้ของคุณออกมาสกายะก็อาสวะนี้เป็นพระพนาวสกายะก็คือหยาบอาสวะก็คือละเอียดก็ปลายส่อัตตากืเรี่กลางไปเรื่อ ย, อยแทนไปเรื่อยฉันเดียวกันจิตวิญญาณแล้วก็มโนมโนก็เหมือนกับอาสวะ เรียกในภายในตัวอาการของจิตในภายในจะจะใช้มโนโดุลมณะนี่ตามเ้าไว้ในๆ ๆ, ๆ ส, นส่วนจิตนี่เรียกรวมหมดวิญญาณ น, นี่เฉพาะเลยเพราะงั้นเวลาเรียนเวลาปฏิบัติศึกษาจึงต้องศึกษาให้เห็นวิญญาณ ให้เห็นวิญญาณพระบุตรจาถใช้บัญญัตินี้เลยว่าต้องเห็นวิญญาณและวิญญาณเนี่ยก็เกิดในปัจจุบันนี้จะเกิดเมื่อมีการกระทบด้วยเหตุและปัจจัยตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสจึงเกิดวิญญาณแล้วก็ศึกษาวิญญาณนี้วิญญาณนี้มีเจตสิกสามเมื่อ เจอแล้วเมื่อเจอวิญญาณแล้วก็จึงมาเรียนแยกเวิทนาสัญญาสังขารที่เป็นเจตสิกของวิญญาณถ้าใครอ่านคนคืออะไรทำไมสาคัญนักมาก็จะรู้จะเข้าใจได้ดีขึ้นเพราะจะมาแยกเหมือนว่าเวทนาสัญญาสังขารนี่เหมือนกับพวกหน่วยกรมกรพวก อ, อะไรฮะ อ่ ะ, อะแล้วก็ไอ้เจ้าวิญญาณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีควบคุมกระทรวงเลยอันี้เป็นแค่อธิบดีครมกองเป็นกรมไปกรมเป็นส่วนนั้นเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลควบคุมพวกนี้อีกทีสามตัวนี้มีอะไรก็ส่งรายงานขึ้นไปสู่ไปสู่วิญญาณรวมอย่างนี้เป็นต้น นะต้องเข้าใจไปอย่างนั้นนะอ้าวก็คงพอขยายความได้ความแล้วว่าในรายละเอียดของจิตเจตสิกต่างๆเป็นดังนี้นะราะนในตัวเหตุในตัวปัจจัยที่มันสังขารกันถ้าแยกกายกับจิตโดยเข้าใจคำว่ากายผิดไม่มีจิตร่วมกันไปด้วยเลย มันไม่สัมพันธ์กันเลยนะตัดขาดกายกับจิตไปไม่สัมพันธ์กันเลยมันก็เรียนไม่ได้เมื่อเรียนไม่ได้กายในกายก็ไปแยกพิจารณากายขจตาสติพิจารณากา ย, า ส, าากายสับภาษาบาลีมีกายไม่รู้เท่าไรที่อาตมาโคตรมาพูดให้ฟังอะ่ะนะ กายกลิกลายประสติกายกรรมั ญ, ญาตากายปาคุณยาตากายสังขารกายโอ้ยจำไม่ไหวเป็นร้อยๆคำนั่นจะไปรู้กันยังไงเพราะกายเหล่านั้นมันคือองค์ประชุมมันคือองค์รวมเพราะฉะนั้นคำว่าสิ่งที่ถูกรู้ คือรูปทีนี้รูปเมื่อแยกมาเป็นรูปยีแปดมาเป็นรูปยีแปดดินน้ำไฟลมสี่มหาภูต ร, รูปนี่เป็นวัตถุรูปที่อยู่ข้างนอกจริงๆเมื่อคนกระทบสัมผัสต่ตอพวกนี้แล้วโดยอาศัยพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยที่จะเป็นองค์รวมห ร, ออรหรือองค์ประกอบหรือองค์ประชุมด้วยเรียกว่ากาย พอไปอุปาทายรูปคุณตัดมหาพูทธรูปออกเลยกายคือวัตถุรูปข้างนอกและคุณก็ไม่ให้มัมนสัมพันธ์กับเมื่อตากระทบรูปเริ่มเป็นตัวกลางระหว่างที่จะเดินเรื่องมาสู่อุปาทายรูป2ียีบสีซึ่งเป็นนามทั้งนั้นตากระทบ ดินน้ำไฟลมคือรูปข้างนอกดินน้ำไฟลมนี่คือข้างนอกเพราะจะรูปไปเรียกว่ารูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสอะไรต่างๆที่มันกระทบข้างนอกเนี่ยห้าอย่างเนี่ยดินน้ำไฟลมนะมันมีแค่สี่มันมีจิตวิญญาณอีกกลางตัวหนึง่ง ฮ ะ, ะอะไรไอช่องว่างนะ่ะจะไปพูดมันเลยช่องว่างน่ะมันเอามันเป็นส่วนที่จะต้องทำให้เกิดตรงนั้นแต่สิ่งที่มันจะต้องมาสัมผัสมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่ใช่ไปสัมผัสช่องว่างแต่ทำให้ตัวเองไปหาช่องว่าง แต่ไอ้ที่จะสัมผัสจะศึกษาน่ะมันอยู่ที่ตารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสรวมไปมันจะเรียกหนึ่งก็ไม่มันจะเรียกสี่ก็คือตะสัมผัสทั้งสี่สี่ก็ได้รวมเป็นหนึ่งก็เลยแยกยากว่าเมื่อมาเป็นภาวะรูปตาหูจมูกดินกาย รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสท่านก็เลยรวมเรียกแล้วหักออกหนึ่งแทนที่จะเป็นสิบเต็มเพราะฉะนั้นอุ ป, ปาทายรูปเลยเหลือเก้าคนก็เข้าใจยากยากพระองค์ประชุมของตาหูจมูกลิ้นกาย กับวิญญาณที่มันรู้รูปรู้รสรู้กลิ่นรู้เสียงรู้สัมผัสเนี่ยมันมีประสาทภาษาทรูปเมื่อมันสัมผัสกันมันก็เกิดเกิดเกิดมันเป็นสภาวะเลยเรียกว่าโคจระมันก็ดำเนินสิ่งที่มันเป็นชีวิตชีวาขึ้นอเรียกว่าวิสัยรูปวิสัยรูปหรือโคจระรูปเนี่ยมันมันกระทบกันผัาแล้วมันมีจิตร่วมด้วยมันจึงเกิด ถ้าไม่มีจิตร่วมด้วยตาหูจมูกลิน้นไม่มีจิตร่วมด้วยก็ไม่มีกายตาหูจมูกลิ้นน่ะถ้าไม่มีจิตร่วมด้วยก็ไม่มีกายแต่กายเนี่ยน่ะมันเป็นจิตแม้ที่สุดมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นแล้ว กายมันก็เป็นองค์ประชุมตายแล้วมันยังไปด้วยเลยมันเป็นองค์ประชุมของความรู้สึกของสิ่งที่เป็นอัตภาพอยู่อะเออตายแล้วกายไปกายไปด้วยมันยังไปด้วยเลยองค์ประชุมของเวทนาสัญญาสังขารไปด้วยอยู่ได้อยู่ทั้งหมด น, ะนามไปหมด แต่ดินน้ำไฟลมมันไปไม่ไปด้วยเห็นไเพราะการเข้าใจผิดของไทยภาษาไทยอาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจไม่ผิดจากคนอื่นๆนะว่าความหมายคําว่ากายในภาษาที่เข้าใจกันทั่วไปแม้เอามาอธิบายในอภิธรรมอธิบายในธรรมะอย่างเป็นปรมัตา์แล้วด้วยก็ตาม เขาก็จะเข้าใจว่ากายคือข้างนอกดินน้ำไฟลมไม่มีจิตรวมด้วยใช่ัหมมันจึงไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมเพราะคุณตัดใหญ่หมดเลยนะไม่ใช่ตัดเล็กนะเนี่ยตัดใหญ่เลยนะตัดตัดใหญ่เลยแล้วคนนี้เนี่ยถ้าเป็นหมอผ่าตัดเนี่ย ดันตัดหัวใจทิ้งออกไปหมดเลยนักผ่าตัดคนนี้นี่เลยผ่าตัดอะไรต่อไปทำไมไม่รู้จะผ่าไปทำไมมันคนร่างกายไม่มีหัวใจตัดเอกก้อนหัวใจทิ้งออกไปเลยคนนี้หมดเรื่องเลยคนคนนี้เลยมหมอไม่ต้องทำอะไรเราไปเผาอย่างเดียวให้สเปร์หมอไม่มีหน้าที่อะไรทำอะไรไม่ได้รักษาอะไรไม่ได้ ไม่มีประโยชน์หมอจะต้องทำหน้าที่ให้มันฟื้นมันทาไม่ได้เพราะตัดหัวใจทิ้งแล้วเนี่ยหมดเรื่องเลยนะมันจะเป็นเรื่องที่อาการหนักมากเลยนะอาการที่ความมิจฉาทิฐิจุดนี้นมิจฉาทิฐิจุดนี้หนักมากเลยอาการมันนี่ตอนนี้นี่นะอาตมาบรรยายนี่ออกอากาศไปจะมีนักธรรมะ นั่งฟังอยู่บ้างสักคนสักคนไหมเนี่ยที่สนใจใส่ใจฟังดูแล้วก็จะสะดุดไหมเนี่ยว่าอาตมาไปว่าอาตมาไปว่าว่าวงการาศาสนาในเมืองไทยเอาหนักเอานานเนี่ยขออภัยเืออาตมาเจตนาที่จะพูดเจตนาที่จะบรรยายความจริงเงี้ยมันกระทบแน่นอนมันถูกว่าแน่นอนไปกดไปขม่มไปดูถูกดูแคลนสถาบันไปดูถูกดูแคลน ที่เขาเป็นอยู่จริงๆเลยนะต้องขออภัยจริงอัตมาก็ไม่รู้ท่ถ้าไม่เปิดเผยถ้าไม่พูดกันมันก็จะต้องสูญหายไปกับความเข้าใจผิดนีมเพราะมันจะไม่ฟื้นขึ้นมาถ้าอัตมาจะไม่นำมาพูดนี่มันหายไปจริงๆแม่อาตมาอยากจะมีสักคนใดคนหนึ่งพูดอย่างอัตมาบ้างสักคนนะนะแล้วมีอิทธิพลในศาสนาด้วยนะจะสะดวกขึ้นเยะเลย ให้โพธิติกรพูดอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้เมื่อยจริงๆเลคนไม่มีเครดิตพูด <c oughs> แต่ไม่ท้อนะที่พูดนี่ อ, า อ, นะ <c oughs> อยากด้ว่าจะทอ้อนะอย่าฝันว่าจะทอไม่มีสักละไม่รู้ยังไงก็ยังมีตาปะปะเปียกปนๆแค่นี้ก็พอละได้แข่งนี้กับภูมีทุเีในดวงตาน้อยยังมีอยู่แค่นี้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่มีพวกคุณเสเลยอัตมาก็คงแห้งเหี่ยวตายแห้งเหี่ยวตายก็ไม่ต้องทำงานนี้อีกลองมาขยายอุปาทายรูปให้ดูดีๆเมื่อไม่เข้าใจว่ากายหรือความจะสัมพันธ์กันกับรูปกับนามเนี่ยรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ เพื่อองค์ประชุมมันมีสิ่งที่ถูกรู้ที่มีนามมาทำคือจิตร่วมอยู่ด้วยแต่คุณตัดจิตทิง้งพร้อมคุณก็เข้าใจเข้าใจว่ามหาพูทธ ร, รูปนะั่นคือสิ่งข้างนอกมันไม่มีนามและคุณก็เข้าใจว่าอุปาทายรูปนะ่คือรูปไม่มีนามอีกอุปาทายรูปไม่มีนามอีก เพราะอุปาทายรูปคือองค์ประชุมอุปาทายรูปคือองค์ประชุมทั้งมหาภูตรูปทั้งอุปาทายรูปรูปนะรูปสิ่งที่ถูกรู้นะนามจะต้องเข้าไปรู้สิ่งที่ถูกรู้นั่นๆ น, น, นามคือจิตจิตยานใจของเราจะต้องไป กระทบรู้สิ่งนั้นๆแม้กระทบภายนอกจนกระทั่งเข้ามากระทบมาอ่านภายในเริ่มตั้งแต่กายนอกมาองค์ประชุมเข้ามาในเรียกว่ากายในกายจนกระทั่งกายในกายมาประชุมเป็นกองขันของเวทนากองขันของสัญญาสังขารวิญญาณก็คือองค์ประชุมก็คือองค์ประชุม เพราะฉะนั้นพอตากระทบรูปหูกระทบเสียงประสาทารูปกับโคจรรูปเกิดปฏิกิริยากันขึ้นมันก็เกิดสภาพเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณขึ้นแหละเกิดวิญ ญ, ญาณขึ้นก่อนเลยตัวตน้นกระทบแล้วก็กเกิดวิญญาณคุณก็วิจัยวิญ ญ, ญาณมีเจตสิกสาเป็นเจตสิกหลักพระพุทธเจ้ากระดึงสอนให้ให้ใช้สัญญา ตัวที่เป็นตัวหน้าที่กำหนดหมายรู้หรือมันเป็นความจำสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวทั้งคลังเก็บความความเป็นอัตภาพมันทั้งเป็นตัวทาหน้าที่กำหนดรู้คุยมารู้ให้ได้ตามก็ไปยังก็ไปรู้ให้ได้จะพูดในบโวหารตามก็ไปรู้หรือคุยขึ้นมารู้ก็ตามแต่เถอะดึงออกมารูลึ ก, ลกวิ่งเขา้าลึกเข้าไปรู้ก็ตามใจ ดึงออกมาดูดวิ่งเข้าไปก็ตามใจถ้าคุยจะทำแบบไหนก็อยั่งต้องเข้าไปรู้ให้ได้รู้มันให้ได้เ<อ>มื่อได้กระทบสัมผัสรู้เป็นนามธรรมายิ่งกำลังเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันยิ่งครบบริบูรณ์ท่วนเลยเต็มๆเลย เต็มเลยบริบูรณเลยไม่ตกหล่นเลยนี่ตอนนี้กระทบแล้วเกิดวิญญาณเกิดอาการทางจิตวิญญาณน่ะดิ้นพลายพานเลยเป็นวิญญาณหยากมันเป็นสัตว์สัตว์นรกสัตว์เปลี่ยนดินเราเ ร, าเ ร, าเราดิ้นหยากได้ไม่ฟังไอ้นาค่ายไม่ฟังไอ้ราค่ายรมกันแย่งชิงปล้นฆ่ารุนแรงเลยว่าสัตว์นรก อาการจิตมันรุนแรงอย่างนั้นมันอยากได้แล้วมันก็ไม่ฟังเสียงอะไรใครมันหน้ามืดตาโมทํร้ า, ทรายทําเลวมันไม่รู้มันจะเอามาให้กูให้ได้จะเอามาเป็นของกูหรือจะเอามาสัมผัเสเศษเสียเป็นสิ่งที่ตัวได้เสพก็ตามมันก็เอาสัตว์นรกบนก็รายอย่างนั้นเพราะถ้าตาจิตวิญญาณนี่มัน เป็นเปรตแค่อยากได้อาจจะดาาได้แรงแรงแต่ไม่ร้ายเลวเท่าก็ก็อนุโลมเรียกว่าเปรตถ้ถามันร้ายก็เรียกว่าสัตวน์นรกเออทำให้มันลดลงมาก็เรียกว่าเปรตถ้ถามันเบาลงไปอีกก็เรียกว่ามันไม่ค่อย แข็งแรงมันไม่เคยกลา้าก็เรียกอสุรกายมันไม่แรงมันไม่กล้าเท่ากับเปรตมันไม่แรงมันไม่กล้าเท่าสัตว์นรกก็เรียกอสุรกายสุรสุ ร, สรมันก็นแปลว่าแรงนั่นแหละเป็นองค์ประชุมของจิตวิญญาณสุรกายคาว่ากายคานี้นะคือจิตคืออสุรคือตัวที่มันไม่เคยกล้าเท่าไรไม่เคยแรง ไม่คแรงเท่าเปรตไม่เท่าแรงเท่าไอเจบสัตว์นรกถ้ามันไม่รู้เรื่องเลยจริงๆมันเดรัจฉานอะมันโง่สัตว์โง่เลยมันไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าคุณพอรู้เริ่มต้นรู้อสุรกายเริ่มต้นรู้เปรตเริ่มต้นรู้สัตว์นรกคุณก็เริ่มรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอาอาการตัวพวกนี้แนะ มันเป็นสัตว์เรียกมันด้วยพยัญชนะด้วยเรียนะบัญญัติมันว่าสัตว์มันหยาบกลางละเอียดขนาดไหนแล้วมันกระทบสิ่งที่มันเป็นจริงเห็นหลาดหาดนี่นะนั่สัตว์ตัวจริงสัตว์ตัวจริงสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์อสุรกายหรือสัตว์อวินิปปปาตะอวินิปปาตะนี่คือมันมันต่ํากว่าสัตว์สัตว์นรกทุกอย่าง สัตว์อบายทุกอย่างไอ้นี่มันต่ําจนไม่มีภาษาเรียกไม่ไม่เอาภาษาเรียกอวินิปาตะปาตะประมาตกต่ําตกล่วงมันตกต่ำจกนกระทั่งอวินิทั้งอะทั้งวิทั้งนิแปลว่าไม่หมดเลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว <c oughs> อะก็ไม่วิก็ไม่นิก็ไม่ฮะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็ใส่เข้าไปอีกตัวเสียมันอากก็ไหม่ด้วยอะวิมันก็ไหม่นิก็ไหม่วินิปาตะมันไม่มีอะไรจะเรียกอีกแล้วมันเป็นสัตว์ตกตำ่ำวินิปาตะสัตว์ก็คืออาการของจิตจิตใจเราเป็นพวกนี้เพราะงั้นถ้าไปเข้าใจว่าองค์ประชุมที่มันเป็นสัตวน์นรกองประชุมของจิตที่มัน มันประชุมเรื่องอะไรอ่ามันประชุมตอนนี้ครบๆเลยนะตามันกระทบรูปเลยนะมันเห็นรูปเลยนะแล้วมันก็เกิดเป็นสัตว์นรกขึ้นมาเห็นหลัดๆเลยนะมันครบเลยมันเห็นอย่างตรงๆเลยเป็นสัตว์ติสัตว์นรกที่ชัดๆเลยอ่ะเกิดปัจจุบันเดี๋ยวนี้เลยอ่ะลีลามันตัวจริงมันเกิดปับปับปัอยู่นี่เลยถ้ามันไม่ได้กระทบแล้วมันก็ไปเป็นนิ่นเหมือนสัตว์นรกอยู่ในใจ อย่างคนติดยาเสพติดนี่เป็นต้นมันไปเสี่ยนแรงๆมันก็มันก็ดิ้งอยู่ในภพของมันอ่ะมันก็ไม่มีการกระทบสัมผัสแต่มันก็อยู่ในภพของมันมันก็ดิ้นอะไรของมันแล้วก็มันก็เป็นธาตุลำลองสัตว์นรกแท้มันแรงกว่าอยากแล้ว ใช ไ, ไอ้พวกเสพติดยาเสพติดมันมันเสี่ยงตั้งหนักมันหน้ามืดตาโ ม, ม่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้จะต้องทำลายทำลายเพื่อต้องการมาเสพให้มันสมใจที่ตัวเองติดหรือตัวเองหน้ามืดตาโมจะต้องฆ่าคนฆ่าใครๆครเลยจะเอาลาบยศสันเสริญจะเอาบ้านเอาเมืองจะเอาทรัพย์สินจะเอาอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำ มันไม่รู้รายเรียวอะไรหรอกมันหน้ามืดตามมัวเพราะไม่รู้จักกำลังของสัตว์รายพวกนี้ไม่เคยยับยัง้งไม่เคยรู้กำลังงมันพวกคุณ น, นี่อาตมาไม่รู้นะว่าได้ผ่านชีวิตมาในเคยทำร้ายทำเรียอะไรมาแค่ไหน แต่แต่มาว่าพวกคุณคงไม่ได้เจอร้ายเจอแรงอะไรนักหรอกถ้ามันยังแรงแรงไลๆอยู่นั่นคงมาไม่ถึงที่นี่หรอกมาที่นี่ได้ก็แสดงว่ามันมีทั้งดวงตาที่มีปัญญารู้มีทั้งพลังที่ดึงดูดไว้ทั้งโน้นไม่มากจนกระทั่งมันไม่อยากมามันไม่กล้ามา แต่มันก็มีแรงส่งยากมายากๆมาไม่ได้สะดวกได้อะไรสบายดีอะไรเราก็มาพยายามมาก็แสดงว่ามีพลังที่มันต้องการมากจนกระทั่งต้องเอาอุปาทายรูปเมื่อ ไม่เข้าใจแล้วว่าจะต้องกระทบสัมผัสนี้ยถึงจะอ่านชาัดเมื่อโคจระมีเมื่อภาษาทรูปมีสัมผัสเข้าเกิดสภาพนี้ขึ้นมาสัตว์นรกก็ดีหรือไม่ได้เสบก็เป็นเทวดาปลอมเป็นเทวดาเท็ดก็ดีอธิบายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ให้มันเสบมันก็เป็นสัตว์นรกนินในเห็นอยู่นั่นแหละวิธีการก็คือเว้นขาดสัตว์อย่าไปให้มันนั่นแหละ เมื่อเว้นไม่ให้มันมันก็ดิ้นเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เปรตเป็นสัตว์อะไรของมันอยู่คุณก็รู้อาการจริงตรงนั้นแล้วเมื่อคุณรู้อาการจริงตรงนี้แหละคุณก็มีตัวที่คุณจะกําจัดเป็นสมุทัยแล้วเริ่มต้นกําจัดสมุทัยได้ครั้งแรกขั้นที่หนึ่งอาจจะกดขมหรืออาจจะอ่ า, จจอานด้วยวิปัสสนาก็ตามอาการมันดิ้นน้อยลง มันเป็นสังกิตตังจิตตังหรือวิกิตตังจิตตังตามจริตศรัทธาจริตก็วิกิตตังจิตตังศรัทธาปัญญาก็สังกิตตังจิตตังศรัทธาปัญญาก็วิกิตตังจิตตังก็ลดลงได้หรือเป็นวิปัสสนาก็ตามมันลดลงได้เบาลงคุณก็อ่านอาการพวกนั้นให้ออก อาการที่ดิ้นอยู่ยังไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกกระบรุษก็คืออิทธิภาวะทั้งนั้นไม่ใช่ปุริสภาวะเพราะงั้นในความเป็นเอกกะบรุษในโซดามันก็ซ้อนไอ้ที่มันดิ้นแรงนะั้นอย่าพึ่งไปจุ่งมันกัดมันไว้ก่อนเอาแค่นี้ทาเอกกระบรุษในเฉพาะโซดากรอบแค่นี้ก่อน อิทธิอื่นยังก็ทำไปเป็นขั้นตอนทั้งงานเมืองต้นทำกลางมันปลายไปตามลาดับเพราะจัด ก, การในอิทธิภาวะนี้ให้มันเป็นเอ ก, กบรุษให้ได้แล้วค่อยไปเจอกันอีกไอ้ น, นี่อาจจะแรงกว่านะอาจจะแรงแอิทธิอาจจะแรงกว่าไอ้ น, นี่ก็ได้ขอสะสมกำลังก่อน และอน้นคนมาเขาเรียงหน้ามาเก่งกว่าตอนนี้มันยังไม่มีขอสะสมกำลังก่อนขอสะสมอาวุธก่อนแล้วก็ค่อยเรียงหน้าสู้แรงกันเก่าก็ได้หรือใครแน่จริงเอาแชมเปี้ยนมาเลยก่อนก็ได้ถ้าแชมป์มาล้มเลยก็ได้ไม่ต้องเลียงตั้งแต่ขันต้นคันกลางแล้วก็ได้ใครแน่จริงเอาสิ เพราะ น, นขา้าพเจ้างบอกก็มืองต้นากลางมันปลายคุณไล่ไปแต่แต่โชคไปแต่แต่ก็นิวรอไปเลยละเขาเ ค, ค, คไปหาไอ้แชมป์คนนอหนอะถ้าคุณเก่งประเดี้ยวเดียวคุณก็ไปถึงแต่ถ้าคุณไม่ได้น่ะไปชกแชมป์มาตายเลยไม่ได้ชก ค, คนที่สองหรอกแชมป์มันต้องตายแล้วคนอวดดีจะไปชกแชมป์เลยนะจะได้เร็วๆชนะพวดเลยเป็นแชมป์ไอ้คนขี้ตะกร้าคนไม่รู้ตัวไม่รู้ ต, ไตนไม่้ชอบอย่างนั้น เอาทีนี้พอได้อิทธิรู้จักอิทธิภาวะรู้จักปริสภาวะและก็ทําสู่ปริสภาวะได้เป็นขั้นตอนมันก็สะสมสภาวะจริงๆไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนั่นคือสภาวะของภาวะรูปสองอินทรีย์ก็หมายความว่าพลังงานน้ำหนักน้ำเนื้อน้อยมากเบาแรงอะไรก็แล้วแต่ดีดีกรีของมันต่างๆ นั่นเรียกว่าอินทรีย์ที่นี่มหาทายรูปจากภาวะรูปสองและมหาทายรูปฮัทไทรูปก็คือตัวที่อยู่ตัวที่อยู่ของจิตตัวที่อยู่ของวิญญาณตัวที่อยู่ของมโนตัวที่อยู่ของอาการนี้แหละธาตุรู้ตัวนี้แหละมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีหลักแรงมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีเวลา มันสัมผัสเมื่อไรมันเกิดเมื่อนั่นหรือไม่สัมผัสคุณปรุงเองคุณก็เกิดเพราะเอาสัมผัสนี่แหละมันเกิดเลยมันสัมผัสมันมีเหตุปัจจัยนี่มันจะเกิดจริงจริงๆอ่ะมันจริงจริงกว่าที่มันเป็นนั่งนึกคิดบางทีมันเกิดสงบระงับอยู่มันไม่มีเหตุกระตุ้นแต่พอมันมีเหตุกระตุ้นอย่างเงี้ยมันจะเกิดถ้ามันยังแรงมันยิ่งเกิดไวเลยถ้ามันไม่แรงอาจจะเกิดช้าหน่อยก็แล้วแต่ก็กระทบขึ้นมาแล้วมันก็เกิด เกิดอย่างไรเมื่อไร่คุณก็ตามตัวอาการมันเกิดอยู่ที่ไหนมันไม่มีสถานที่มันไม่มีตัวต้นมันไม่มีเวลาแต่คุณจะต้องใช้ยานั่นคุนี่เฮ้ยเจอเจอตัวมันแล้วเจอตัวมันแล้วจับตัวมันได้แต่เขาเรียนงันเขาก็บอกว่าไปจับที่หัวใจอยู่ที่หัวใจไอหัวใจสูบฉีดโลหิตเนี่ยอยู่ที่ห้องที่4ว่างั้นหัวใจนี่มีสี่ห้องว่างั้นอัตมาก็ไม่เคยเรียนอณุตมีผ่าหัวใจดู ไม่ได้ไปเป็นเรียนทางหมอก็เลยไม่ได้ไปรู้จักอาจมาก็เรียนแต่อณุตอมีเรื่องนอกๆหยาบๆกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรพวกนั้นเรียนในพวกนี้จะได้เอามาวาดรูปศิลปะเขาก็เรียนอณุตอมีก็ท่องจนต้องขิกเกตท่องเลยเดี๋ยวนี้ลืมหมดทุกคำจำได้อย่สองคำสามคำ ส um, <c oughs> เตนะัมเฟอริสกับคอคซิสเอาละเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปมากฮาไทรูปก็คือตัวที่คุณจะต้องจับไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ทังมันไม่มีที่อยู่แต่มันอยู่ในครูหาสยังมันอยู่ในร่างกายคุณนี่แหละ ตอนนี้แหละคุณอย่าให้ไปออกนอกตัวอย่าเอาจิตออกนอกตัวละตอนนี้แหละแต่ลืมตาในสัมผัสเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วเอาจิตออกนอกตัวไม่ใช่แล้วยิงดิ่งจมไม่ใช่ตามหาเมื่อกระทบสัมผัสแล้วมันอยู่ที่ไหนุตรงนั้นน่ะจับอาการนั้นได้ตรงไหนตรงนั้นแล้วก็หัตยรูปวันนี้อธิบายชัดขึ้นไหมหัยรูปนะเมื่อจับได้แล้วก็ดูชีวิตรูปของมัน มันมีชีวิตมันยังไม่ตายสนิทมันมีชีวิตซับง่ายๆมันยังไม่ตายอยู่มันมีอินทรีย์มันมีกำลังอยู่มันยังมันแรงมันก็อินทรีย์เป็นชัดนรกเลยมันประมาณอยากอยู่นึงก็เป็นเปรตมันเบาลงก็ในน้อยลงมาก็เหลือขันอาสวะขันอะไรก็เบา คุณก็ต้องรู้กําลังของอินทรีย์ความเกิดความตายของพลังงานของตัวนั้นน่ะตัวกิเลสตัวเปรตตัวสัตว์โรคตัวอักขุศลจิตนั่นรู้มันให้ได้ชีวิตอินทรีย์ของมันแล้วดับชีวิตของความเป็นเปรตสัตว์รคสื่อสัตว์อบายให้หมดดับอาการนั้นให้เกลี้ยงนี่คือชีวิตอินทรีย์ของสัตว์ โดยเฉพาสัตว์นรกหรือสัตว์ตวาด์ก้ากนแล้วแต่เธอค่อยขยายไปอีกมันจะเยอะถ้ารูปแล้วมันก็จะละเอียดถ้ารูปก็คือแค่นี้แหละในกามแล้วก็ได้แล้วก็เหลือในจิตก็เหลือรูปก็กำจัดอาการของพลังงานที่มันเป็นสัตว์นรกในี่ให้ได้จึงรู้จักความเป็นชีวิตตรูปหรือชีวิตตินซีของมันถ้ามันยังดิ้นอยู่มากมันก็เป็นอิทธิ ถ้ามันสงบลงรับอยู่ในควบคุมได้เป็นเอกกร บ, บรุษจิตมันนิ่งสงบหยุดภายใต้อำนาจของคุณเลยมันไม่มาทำอะไรของคุ ณ, คณได้แล้วนั่นแหละคุณมี ม, มีมีอำนาจเหนือจากชีวิตติณสีอาหารระรูปก็ต้องรู้อาหารระรูปนี่ท่านสอนเอาไว้ว่ามันจะรู้จากสิ่งที่มันเกิดอาหาร ทุกยามันก็เหมือนกันแต่ท่านสรุปลงไปที่กาวรินกระาหารอาหารที่กินด้วยปากเนี่ยปฏิบัติได้ทุกเมื่อข้า ค, คุณต้องกินเป็นเศรษฐีเป็นยาเจ้าก็ต้องกิ น, นรูปรสกินเสียงสัมผัสอยู่ในนี้ท่านึ่งจัดว่าเนี่ยเป็นปฏิบัติไม่ผิดโพชนเมนมตันยุตตา ตรงนี้แหละอาหารที่กินนี่นมันมีกิเลสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสามารถที่จะรู้จากเครื่องอาศัยสิ่งเหล่านี้คืออาหารนี่เป็นเครื่องอาศัยเมื่อมันอยากขึ้นมาไม่ให้มันกินมันอยากขึ้นมาอาศัยผัดสะเมื่อผัดสะแล้วมันจะเห็นได้จริงมันผัดสะแล้วมันจะมันจะเกิดอยากมันอยาก เพรา ะ, ะความอยากก็แบ่งไปอีกถ้าอยากไปปรุงเป็นกามมันก็อยากที่มันเป็นรูปโลกกิเลงสัมผัสถ้ามันปรุงเป็นภพมันก็เหลือเ ศ, ศ ษ, ษรูปละอรูปแต่ถ้ามันอยากอยากฆ่าไอสัตว์กามอยากฆ่าไอสัตว์รูปอยากฆ่าไอสัตว์อรูปมันเป็นวิภาวะตัณหามันเป็นมโนสัจเจตนาวิภาวะตัณหามโนสัจเจตนากรรมีก า, มต า, า, ต า, า, าตาัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหา เพราะฉันท่าแยกไม่ออกว่าพี่ว่าวิภาวะตัณหาเนี่ยเป็นตัณหาอุดมการตัณหาที่จะไปฆ่าสัตว์ในภพนั้นให้หมดด้านในภพมันก็มีแค่สามภพรูปภพอวยกาบภพรูปรูปภพรูปภพภพในก็มีรูปภพรูปภพภพนอกก็มีกาบภพก็แค่นี้เอง เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เจตนารู้ว่าจิตของเรามันมุ่งไปทางไหนมุ่งไปอยากฆ่าอยากไปได้การอยากไปได้รูปอยากไปได้อารูปหรือมันมุ่งจะไปฆ่าไอสัตว์พวกนี้ถ้ามันจะมุ่งไปฆ่าไอสัตว์พวกนี้เรียกว่าวิภาวะตันหามันต้องมีต้องใช้อ่ะแม้คุณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคุณยังต้องใช้วิภวะตันหาสร้างศาสนาซึ่งไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับรูปอรูปอะไรเลย เพื่อนยันต์แยกข้ความหมายแค่วิภาวะตัณหาเป็นตัณหาเป็นร่างตัณหาแค่นี้ไม่ได้คุณก็มืดหนาเพราะฉะนั้นพวกเราว่าอยากอะไรก็ไม่ได้อยากอะไรเป็นผิดหมดเห็นไหมมันมันเบลอและมันเพี้ยนละมันไม่รู้แล้วแยกแค่มโนสัญเจตนาสามแยกเจตนาสามไม่ออกก็เลยใช้ไม่เป็นอถ้าคุณมีอยากเออไม่ได้เป็นตัณหา เพราะแยกายรายละเอียดของกามกับพบไม่ออกไม่เรียนมาตามลําดับพบรูปประพบอรูปรพบเอาไว้ก่อนเอากามก่อนกามสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายก่อนดับหมดแล้วคุณจะรู้เลยว่าทีนี้รูปประพบอรูปประพบคุณจะดับมันยังไงเพราะไอ้กามเนี่ยมันรู้แล้วว่ากิเลตมันเป็นอย่างนี้เมื่อผัสสะเพราะรูปประพบรูปปพบก็ยังผัสสะอยู่ไม่ได้ทิ้งผัสสะนะของพระเจ้า แต่กามเนี่ยมันไม่เอาแล้วมันผัสสะยังไงมันก็อยู่เนื้อมันเฉยเฉยมันไม่เอาจริงๆมันล้างกิเลสตัวนั้นไปไม่มีแล้วไม่ได้หมายคำว่าหลับตาแล้วมันถึงจะไม่มีกามปิดหูแล้วไม่มีกามปิดจมูกไม่มีกามปิดลิ้นไม่มีกามไม่ใช่กามไม่มีเพราะมันไม่ได้ฆ่าไปจริงๆฆ่าตัวกามกิเลสตัวนั้นไปจริงๆ กระทบสะพานเหตุปัจจัยอยู่แท้แต่กินเละตั้งห่างมันตายนิดินสนิทใช่ไหมมันมันละเอียดกับกันเยอะนี่ทุ่ม32นาทีแล้วนะยังเหลืออีกประมาณ40กนาทีพอเราเริ่มเมื่อกี้นี้ไอ้นวลจะนวนมา20สเท่าไหร่เมื่อกี้นี้คอสชอมาฮะนาทีแล้ว <18. S 2> าาส8ปนาทีเพราะงั้นเราอาศัยอาหารสี่เนี่ยมีผัสสะเป็นเครื่องอาศัยเวลาปฏิบัติและก็ต้องมีเจตนาอ่านเจตนาเป็นเครื่องปฏิบัติและก็รูดนามรูปของวิญญาณนี่คืออาหารสี่ ต้องมีผัสสะต้องรู้จักเจตนาต้องมีปัญญาอ่านนามมรูปเป็นเพราะงี้ถ้าพูดว่าอานนามมรูปไม่เป็นคุณก็ไม่รู้จักวิญญาณอ่านวิญญาณไม่ออกเพราะนามมรูปคืออาการของจิตที่ถูกรู้ เมื่อมันเกิดอาการสัมผัสเมื่อไหร่มันก็เกิดให้เห็นยิ่งไปหลับตาสมาธิไม่มีสัมผัสแล้วก็จะไปรู้อาการมันยิ่งยากใหญ่เลยมันยิ่งลึกลับใหญ่เลยและมันก็ไม่เรียงเบื้องต้นทางกลางมันปลายด้วยพระฉะาจึงน่าสงสารมากเลยาศาสนาที่ไม่ใช่ของพุทธไปปฏิบัติกันอย่างนั้นแล้วก็ก็หลงอยู่ดีทุกวันเนี้ยเป็นฤษีกดข่มแล้วก็พรเจ้าทง ได้อุทานอุทกกระดาบอารานาบทอุทกกระดาบ ท, ที่เป็นนั่งหลับตาแบบนั้นนะ่ซึ่งมันมีของโลกมาแต่ไหนแต่ไหนเป็นอย่างั้นอยู่ตลอดไอส้สมาธิแบบนั้นนะแต่สมาธิของพระเจ้านั้นเกิดเมื่อมีพระเจ้าเกิดและศาสนาพุทธยังไม่หมดจึงมีสมาธิแบบโลกุตระเป็นอริยสมาธิไม่ใช่สมาธิเป็นนั่งหลับตาสะกดจิต อาตมาพูดมา40กว่าปีแล้วเนี่ยกระแสหลักน่าจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไปสอนกันเลยไม่ต้องไปบอกว่าอาตมาพูดก็ได้ก็บอกข่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้จะต้องบอกอาตมาพูดทำไมแล้วก็ไม่ส่งเสริมกันเลยไม่เอาไปพูดโอ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะไปบรรลุธรรมกันมันจะทำให้ศาสนาพุทธรุ่งเรืองขึ้นมาได้แล้วส่งไปนอกกัไปเผยแพร่ ก, กันเต็มไม่หมดเลย มีธรรมทูตเยอะแย ะ, ยะ <c oughs> พูดแล้วอาตมาก็เกรงใจนะพูดแล้วก็ไปว่าเขาอวดีอวดีโพธิรักเนี่ยสรุปแล้วอาหารสี่นี่คุณจะต้องรู้จริงๆเลยถ้าคุณไม่เข้าใจว่าจะต้องรู้จักกรมจากอาหารโพอาหารกาวลิงการอาหารต้องรู้จักผัสสะ ม, มันเกิดอาการของเวทนาสสุข ก, ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเป็นเวทนาหลักเวทนาสามจริ ง, งเวทนาร้อยแแต่ไอ้สตัวนี้แหละมันมีผีมีเทวดาอยู่ที่สตัวนี้แหละจึงจะรู้ผีรู้มารรู้เทวดารู้พรหมกันตรงนี้แหละผัสสะแล้วก็มีเวทนาสามก็ต้องรู้เจตนาสมก็ต้องรู้และก็ต้องใช้เป็นใช้เวทนาสามเป็นใช้เจตนาสมเป็นต้องรู้นามรูปต้องรู้กรรม การก็ต้องรู้สิธตากระทบรูปหูกระทบเสียงมันเกิดอาการการกิเลสการเกิดเมื่อไหร่แล้วคุณก็ไม่เรียนเบื้องต้นไม่เรียนการกระทบรูปตากระทบรูปหูกระทบเสียงไม่เรียนเป็นนั่งหลับตาอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องกันนะมันขาดนี่มันมันแหว่งมันเบ้ามันทิ้งไปหมดเลยนะเพราะอาหารสี่ก็อธิบายกันไม่ไม่รู้เรื่องพูดกันไม่ได้ พบแค่คำว่ากามคำเดียวก็ไปรุมรวมมากการคือความใคร่ยากและคุณก็ไปนั่งหลับตาความใคร่ยากอยู่ในพบอยู่ในพบคุณมีแต่รูปรูปราคะรูปราคะคุณมีกามาราคะที่ไหนล่ะเพราะคุณไม่ได้ตากระทบรูปหูปกระทบเสียงคุณก็ไม่มีการมาราคะอะไรเพราะก็ไม่ได้เรียนกามเลยตัดลัดก็ไปสู่ราคะข้างในรูปภพรูปภพ รูปราคะรูปราคะเพราะทํนั้น้าไม่เรื่องบต้นเบื้องต้นทํากลางมันปลายไม่ได้เลยนอกจากคนมีบารมีคนมีบารมียังไม่สามารถรู้ครบแม้จะทําให้อสุวะบางอย่างดับได้เพราะมีบารมีนะเขาก็อาจจะรู้แล้วก็ดับรา ค, ะ ร, ราคะรูปราคะรูปราคะได้พอมีภูมิดับได้กานั้นพระพุทธเจ้าท้ากำยอมรับให้เป็นอราหารันต ต้องยืนยันกายสักขีหมายคําว่าต้องมายืนยันตากระทบรูปหูกระทบเสียงมีองค์ประกอบคําว่ากายมีรูปธรรมข้างนอกดูร่วมด้วยทั้งภายนอกภายในให้ครบก่อนสััสได้กายต้องใช้วิโมกพระหิทธารูปานิต้องมีภายนอกพระหิทธาแลลว่าภายนอ ก, ป, นอนอกปัสสะเห็นเห็นภายนอกด้วยพระกาเข้าใจวิโมกสามไม่ได้ รูปีรูปานิปสตินะอัจจะตังรูปานีนาอรูปรสัญญีอจจะตั้รูปรสัญญีเอโกพังหิตารูปานี้ประสติอะไรนี่ก็แปลพยัญชนะได้แต่ไม่รู้สภาวะโดยเฉพาะไม่เข้าใจสภาวะไม่เข้าใจเป็นสมาธิทิ้งเลยภายนอก เพราะจะทำอธิจิตกันเป็นสมาธิก็ดีเป็นฌานก็ดีคืออธิจิตไม่ครบก็เป็นนั่งหลับตาออกก็ไม่ครบทำก็ไม่ทวนไปไม่ออกนี่คือความบกพร่องของศาสนาพุทธความผิดเพี้ยนไปของศาสนาพุทธไปไกลมากอาตมาต้องบอกว่าไปไกลเพราะมันทิ้งต้นที่สำคัญไปถ้าคุณ ไล่ตามที่อาตมาว่ามาเรียนรู้กายแล้วก็เรียนรู้รรตาหูจมูกลิ้นกายนะคุณเรียนข้างในไม่เคยได้นะคุณยังสามารถเป็นอนาคามีได้ใช่ไหมไอ้นี่มันไม่เป็นอะไรเลยเป็นอะไรก็ไม่ได้จะไปเอาอาร ห, รหันต์เลยพืเดียวโหโสดายังไม่ได้ส ก, กิทายังไม่ได้แต่ถ้าเพิ่มเบื้องต้นนี่นะคุณยังเป็นอนาคามีได้นะ โซดาจูกิทาเป็นอนาคามีได้เพราะว่าเอาแต่หยาบไปหาละเอียดใช่ไหมเพราะอาตม า, าพาพวกคุณมาปฏิบัติเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรหรอกมีอัตโนมัติมันได้ไปเรื่อยๆอาตม า, าพาปฏิบัติเนี่ยนะอย่าคิดเกียรติแล้วกันมันจะพอมีปฏิภาดรู้เพราะว่าพูดอธิบายอยู่เนี่ยไม่รู้มากก็รู้น้อยนะนะขนาดเกาลัดนั่งเรียนทุกวันเลย วันนี้มีหน้าใหม่มาเนี่ยจ ะ, จะควันเนะนะอะวันนั่งเรียนมั่งแล้วได้พวกเราเลยหัวงอกจะเข้าลงกัแล้วไม่ค่อยมาเราจะเอาเวลาไหนมาเรียนกันแล้ ว, ลวจะเกิดอีกชาติไหนจะพบพระพุทธเจ้าหรือพบบริษัทบ้าง จากอุปาทายรูปชีวติรูปอาหารรูปนะแล้วก็ปริเฉทรูปปริเฉทรูปนี่แหละเป็นองค์ปฏิบัติที่จะต้องไปให้สู่อากาศไปสู่ความว่างก็คุณก็จะต้องรู้ภาวะรูปมารู้ว่าชีวิตรูปแล้วก็รู้ว่ากามรู้ว่าอะไรอะไย่งรอาหารรู้ว่ากามรู้ว่ารูปรู้ว่าอารูป ต่างๆที่เป็นสภาวะของกิเลสแต่ละระดับแต่ละขั้นแต่ละขั้นมาและคุณก็ต้องให้ไม่มีไม่มีกามก็ว่างอากาศก็ว่างศาลานี่ว่างจากช้างก็เป็นอากาศของไม่มีช้างอะไรอะเทหะอะไรเทหะวัตถุ แท่งทึบนี้ไม่มีช้างสเปซนี้ไม่มีช้างบริเวณนี้ไม่มีช้างนะบริเวณนี้ไม่มีกามจะเหลือแต่รูปก็อรูปอย่างนี้เป็นตน้นก็รู้ว่ามันว่างว่างจากอะไรว่างจากอะไรว่างจากอะไรจนหมดกามจนหมดรูป จนไปถึงอารูปอารูปนี่มันก็หมดรูปแล้วก็เหลืออากาศเหลือว่างว่างมันมียังไงให้ดูทั้งสองด้านเลยหนึ่งว่างไอ้ว่างมันคือว่างมันเป็นยังไงสองวิญญาณจิตสะอาดจิตใสจิตสะอาดมันเป็นยังไงอาการจิตที่มันสะอาดโดยเฉพาะจิตสะอาดที่ยังกระทบอยู่ เพราะการตรวจรูปอรูปประชานของพระเจ้าไม่ใช่เป็นนั่งสงบแล้วก็ดูจิตว่างๆอรูปก็ดูว่างๆไม่ว่างนะจ๊ะตายังกระทบรูปยั่วยวนอยู่ด้วยหูยังกระทบเสียงยั่วยวนอยู่ด้วยแต่คุณต้องรู้ว่าจิตของคุณว่างนะจิตของคุณใสสะอาดนะหนึ่งอาการว่างสองอาการใสสะอาดของวิญ ญ, ญาณสม ไอ้ที่มันจะมีอ่ะมีอะไรอ่ะมีการมีรูปราคะรูปราคะมีมานะมีอุทธจจารมีอวิชชามันน่ะเพราะนั้นนะมันจะมีอาการชีวิตอาการพวกเนี้ไม่มีนะไม่ให้มีนะนิดนึงน้อยนิดก็ไม่มีนะกินจันไม่มีนะตรวจให้ได้นะแม้ที่สุดแล้วก็ต้องรู้นะว่ามันไม่มีในวาสัญญานาสัญญาญาตนะไม่รู้ไม่ได้นะเศษสม่รู้นิดเดียวก็ไม่ให้มีต้องรู้มาหมด รู้ให้ครบรู้ให้จนท่วนตรวจสอบกันอยู่นั่นแหละอารูปฌานจะสอบในขณะที่มีภาษาด้วยไม่ใช่สอบอากาศว่างๆคือนั่งหลับตาแล้วก็ว่างๆก็ได้ตัวก็ได้แค่นั้ น, นยอยู่ในภพนั่นแหะแต่เวลาลืมตามกระตบสัมผัสมันจะว่างอย่างนั้นไหมละ่ะถ้าไม่ว่างอย่างนี้นก็คือไม่สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายพระหิทธารูปานี้ไม่มีข้างนอกคุณไม่ได้มีพระเจะ้าการคุณก็ไม่ครบ คนนี้เนี่ยสอบล้านปีก็ไม่ให้ขึ้นผ่านยิ่งกว่าประเรียนเก้าประเรียนเก้าผิดคำหนึ่งก็ไม่ให้ขึ้นเหมือนกันอันนี้สอบไม่ผ่านไม่ให้ขึ้นเหมือนกันไม่เป็นพระอรหันไม่ผ่านไม่ให้เป็นพระอรหั น, น, ห น, หนถ้าเพิ่มไม่รู้หมดตกนิดหนึง่งนอยหนึ่งก็ไม่ได้อกินจัญญายจตนะโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ดุเดือดจริ ง, งๆเลย หลักสูตรพระพุทธเจ้านี่น่ากลัวเนาะจะสอบผ่านไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นในปริเฉทรูปก็คือตรวจสอบยาบกลางละเอียดมาถึงว่างจยงก็ตั้งตรวจถึงอรูปนี่แหละเป็นฐานตรวจว่างเพราะนั้นว่างแล้วเมื่อสมบูรณ์ถ้าว่างก็คือว่างคำเดียวมันไม่มีคำอื่นอีกแล้วคำว่าว่างสำหรับภาษาไทยอากาศเหมือนกัน เพราะาตรวจสอบเศษส่วนที่เหลือรูปรรประจานละรูปประจนตรวจสอบเศษส่วนที่เหลือนะปริเชทรูปเป็นฐานกลางจบจากปริเชทรูปแล้วก็มาหาการดูองรวมหมดแล้ววิญยัตท ร, รูปซึ่งมีทั้งกายอินยัตมีทั้งว จ, จีวิญยัตรนะรวมไปทั้งถาทางนัตจะคีตวะทิตะ ก็ดูจากสิ่งเหล่านี้แล้วมีอาการของจิตอาการของจิตที่เกิดอยู่ในวิญญาตองค์ประชุมกายองคประชุมทั้งหมดมีทั้งตาหูจมูกนิ้วกาย ก, ารกระทบสัมผัสอยู่แล้วก็มีองค์ประชุมเกิดเกิดคุณก็อ่านรูปธรรมก็ส่วนหนึ่งนามธรรมาก็อีกส่วนหนึ่งคุณจะทํารูปธรรมแรงแต่นามธรรมาให้คุณทํามันเบา หรือคุณจะอนุโลมว่าเจตของคุณปรุงแต่งนะแต่สักแต่ว่าปรุงได้บ้างหรือยังสัจจานุโลมวิกยาณอนุโลมปรุงไปเป็นอภิสังขารเพราะคุณเก่งอเนนชาภิสังขารได้ฝึกการปรุงแง อ, อนุโลมปฏิโลมต่างๆนานาจริงอย่างอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารู้เข้าใจสภาวะพวกนี้เพราะอาตมาต้องทาต้องฝึก อเนชาพิสังขารที่เป็นอภิสังขารที่จะต้องอนุโลมปฏิโลมเข้าไปโปรดสัตว์นรกยิ่งกว่า อ, าอารหรันติกงะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องปรุงแตง่งร่วมกับสัตว์นรกเลยอนุโลมได้โดยที่ไม่ไปเปื่อนยังปริโยธาตามุทุกรรมัญญาประพสราอยู่เลย ย่งปริสุทธาปริโยธาตามโมทุกรรมมัญญาประพัสราจิตยังชฉยต่อสังขารเราจะปรุงสังขารเราจะปรุงเองมันก็ไม่ไม่เปื้อนเราจะถูกกระทบก็เทืนก็ต้องถูกขโมมเมาถูกก็ ย, ย้อมยังไงก็ยอมไม่ได้ยอมไม่ติดข้างนอกจะมาสังขารมาจัดการกับเราสังขารนี่คือการจัดการจัดการกับเราให้มันเปื้อนข้างนอกก็เปื้อนไม่ได้ เราทำปรุงแต่งจัดการเองเราก็ไม่มีการไปเพื่อนขึ้นอีกเพราะงั้นปริสุทธาประโยชธาตามุทุกรรมัญญาปภัสราเข้าใจขึ้นไหมว่ามันก็บริสุทธิ์ปริสุทธาอยู่นั่นแหละมันจะกระทบกระเทือนก็ไปได้ตามบารมี ค, คุณจะรู้ของคุณเอง ว่าคุณจะอนุโลมเนี่ยคุณเรีนโพลิสันแล้วคุณจะรู้เลยว่าเออเราเป็นมีวรยุทธ์เท่านี้เราทำได้แค่นี้มากนี้มา ก, กว่านี้เราตายแง่เลยเราเป็นนักจอมยุธทธ่รู้รู้อ่รารนะไม่อวดดีเข้าใจไม่ประมาทเราไม่เอาจะเผื่อไว้เสมอ เพราะเรื่องอะไรไปตายไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อลาบยศสรรเสริญโลกีสูงแล้วเพราะงั้นพูดที่ท่านอนุโลมนี่นะถ้าไม่ทําเพื่อลาบยศสรรเสริญโลกีสุงอะไรแล้วท่านทําเพื่อความพอดีเพื่อความพอเหมาะพะโหติพอเหมาะพอดีท่านไม่จำเป็นจะต้องไปทําทําไม่ถ้าไม่ได้ทำเพราะท่านไม่มีตัวตนแล้ว่เพราะเมื่อจิตมันไม่มีตัวตนไม่ได้ทําเพื่อตนแล้วก็ทําเพื่อพอดีเพราะได้สิ่งที่พอเหมาะควรที่สุดได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงประหยัดสุด นั่นเป็นสัจจคของผู้ที่รู้แล้วเมือ่อหลักประกันชัดเจนแล้วว่าท่านไม่ได้ทําเพื่อลาภยศเสสรกิจสู่ไปสัจจคของนั่นจริงถ้าก็ทําเพื่อสิ่งนี้มันได้คุณค่าสูงสุดเท่านั้นแท้จริงใช่ไหมท่านไม่ได้ทําเพื่ออมิตรอะไรเพราะไมต้องไปบอกท่านหรอกว่าท่านในเนี่ยยังทําเพื่ออมิตรคุณว่าไปเถอะก็ท่านเองของท่านรู้อยู่แล้วก็ท่านไม่เอามาแล้วใส่ความท่านถ้าเกิฟังไปเท่านั้นเนี่ยท่านไม่ได้ไปทําแล้ว มันเมื่อมาถึงขั้นปริเฉตรูปรู้จักว่างแล้วก็จัดสรรว่างได้หมดแล้วทีนี้อนุโลมหมดเลยวิญญาตรูปสองกายวิญญาตวจีวิญญาตก็อนุโลมจะยืดจุนได้เท่าไหร่ที่ปรุงแต่งทั้งนัตจากคีตาวาทิตาธาที่ลีลาสุ่มเสียงสำเนียงต่างๆที่เป็นลีลาข้างนอกเป็นวิญญาตรูปเป็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่ในทางรูปที่เห็นได้หรือวจีคําพูดที่มันฟังได้มันแรงมันเบามันหยาบมันอะไรก็แล้วแต่ จะทำขนาดไนอนุโลมขนาดไหนก็อ่านจากอันนี้ได้ก็รู้จากมโนวิญญัตว่าเราเองเราใช้มโนใช้จิตเนี่ยละหุแค่ไหนครุแค่ไหนละหุตาหรือว่าครุตาแรงเบาจะจะอนุโลมได้ครุตาแค่ไหนแต่ต้องยืนอยู่ในฐานละหุตาเพรา ะ, ะนั้นวิการรูป ไม่ได้แปลว่ารูปพิการพิกลพิการนะเขาไปแปลว่ารูปพิการอยู่ในพจนานุกรมบาลีอัตมาอ่านแล้วก็เศร้าใจวิการรูปไม่ใช่รูปพิกลพิการแปลว่าการะอย่างยิ่งแล้วไปแปลว่าวิของเขาพิกลพิการเป็นความเสียอันนี้มันของอาริยะมันโลกุ่ระมันไม่ใช่โลกีไปแปลเป็นของเสีย นี่มันของเหนือเหมือนเอาพสังขารไปแปลเป็นของเสียไปแปลอบปุญญาว่าเป็นบาปม า, าแล้วกันมันบุญอย่างยิ่งต่างหากเราเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนการวิการรูปไปกลาปแปลว่าวิการไลอนิการรูปพิกลอนิการตายเลยไม่ใช่เราจะต้องรู้ละหุตาคืออะไรม า, ม, ามุทุตาคืออะไร มีวิการรูปมี5วิญญาตวิญญาตสองกายวิญญาตกรรมวิจิรวิญญาตก 2, ับสองรวมอยู่ในนั้นก็คืออาการามาันจากเรารู้วิญญาตสองนั 2, ก็มาอยู่ในวิการนี้เราก็ประมาณจะประมาณาธาทีลีลาผากสมเสียงสมเนียงวิญญาตรูปกับสองเนี่ยหรือจะให้มันละหุเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครุเท่าไหร่หมุทุก็คืออ่อนไว จะเด็กแรงเท่าไรจะเร็วเท่าไรจะไวเท่าไรคุณทำได้เท่าไรลักขณะเออไม่ใช่ละ อ, อ่าระหูตามุทุตา อ, อ่าแล้วก็กรรมัญญาตากรรมัญญาตาก็คือกา ร, ระสมส่วนที่ได้พอเหมาะด้วยปัญญาอันยิง่งเท่าไหร่กรรมัญญาตาสิ่งที่เหมาะควร ท่านแปลว่าการงานที่เหมาะควรกรร ม, มัญตานี่คือวิการรูปหจะต้องประมาณแล้วก็ใช้คุณจัดสัดส่วนได้อันเนี้ยจัดสัดส่วนอันนี้ไม่ได้คุณก็ทำไม่เป็นทาให้พอเหมาะมันก็ไม่ได้ผลที่ดีต้องรู้จักสัดส่วนที่ดีอันนี้นี่วิการรูป5สุดท้ายลัษณะรูปอีกสี่ ลักษณะรูปที่สี่นี่คือเครื่องอาศัยแท้ๆของพระอริยะเลยวิการรูปมันคือสิ่งที่ประมาณใช้ส่วนลักษณะรูปนี่คือรูปที่อาศัยเลยอาศัยความเกิดอยู่อุปจยยอาศัยความต่อเนื่องอยู่สันตติและก็อาศัยความเสื่อมชะตาหรือความลดลงไปหายไปอันนึงก็คือ ตัวที่เกิดอยู่ไอ้ตัวนึงก็คือตัวดับอยู่ชรตากับตัวดับอุปจัยยะกับตัวเกิดและเขาก็จัดสรรในสิ่งเหล่านี้แลาเป็นอยู่เพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเที่ยงแท้อันนีจะตายคุณต้องอาศัยลักขณะสนี้อยู่ตลอดกาลนานไม่มีอะไรเที่ยงแท้เหตุปัจจัยต่างๆนานามัน คนก็หลากหลายเหตุปัจจัยก็หลากหลายอะไรก็หลากหลายจิตวิญญาณยิ่งหลากหลายนี่ขนาดพวกคุณมานี่เนี่ยมาไม่ได้เป็นคนโลกๆมาเนะีพระนะพลังกิเลสก็ลดไปพอสมควรมาอยู่นี่ขนาดนี้ยังโอ้โหนี่จะต้องอสวอตกันอีกเท่าไหร่สวอตหนึ่งบอกแล้วว่าขอเอาไอ้เซลล์เข้าไปด้วยนะไอ้เซลล์นี่แหละตัวร้ายแหละ สวอตเนี่ยถ้ามีเซลล์นี่ด้วยเนี่ยจะดีก็อีกเจาะเลยนี่คืออุปาทายรูปทั้งอีก24สเนี่ยเป็นนามมาทำทั้งนั้นเลยคุณคิดดูสิรูปเป็นน้าอ่ะพูดแล้วเราก็หาว่าบ้าใช่ไหมทำมาบ้า รูปมันเป็นนามเยมันเป็นนามมาทาทั้งนั้นเยเป็นอารูปเป็นสิ่งที่มันต้องมีความเป็นตัวธาตุรูที่รวมอยู่ในนั้นก็มันมีตัวแท้ๆ ท, ที่มันไม่ใช่นามอยู่สี่แนั้นคือมหาภูตรูปอุปาทายรูปมันนามหมดเลยแล้วก็ต้องประมาณที่ไม่เที่ยงสุดท้ายลงอนิจจตา ตัวท้ายสุดของอุปาทารูปยี่สิบแปดมันไม่เที่ยงเลยมันจะูว่าคุณจะไปยึดมั่นถือมั่นความไม่เที่ยงได้ยังไงความไม่เที่ยงเป็นไงเป็นทุกข์โอภูเจ้าท่านถามสาววงนันความไม่เที่ยงเที่ยงแล้วไปเป็นไงงูก็เป็นทุกข์ความไม่เทียยมมเท่ยงนี่คือความยาก ความเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมันจึงยากเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจางี้แล้วเราก็พยายามภาคเพียนศึกษาให้รู้นามหรูป28ไปตามลำดับก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้นามที่เป็นเป็นจิตเจตสิกต่างๆอีกที่เป็นตั้งโหเจตสิก52จิตอีก 89ดสออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีโอโหอังอะไรมันกูกักน้ว่าเดมั น, มนสำลักตายเอาแต่รูปยี่แปดนี่ก็น้ำอยู่แล้วเอาให้ดีเถอะถ้าคุณชัดเจนในรูปยี่แปดนี่เป็นอรหันได้เพราะรูปกำนาอยู่ในนี้หมดแล้วเพราะงั้นไปท่องพัญญชนะพวกที่เป็นจิตเจตสิกอีก ต่งเป็นร้อยเป็นหลายร้อยเนี่ยอย่าพึ่งเลยแต่ในความหมายของสภาว่ามันมีหมดที่อาตมาพูดไปอยู่เนี่ยโดยอาตมาพูดเป็นภาษาไทยและก็ไม่ได้กำหนดเฉพาะชื่อลงไปแต่มั น, มนก็มีสภาว่าของแต่ละตัวแต่ละตัวที่ผ่านไปให้รู้นี่คือสภาพของที่เราจะเรียนแล้วก็เรียนกันอยู่เนี่ยค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆ วันนี้เหลือเวลาอีกประมาณไอสบแปดก็เท่าไรเหลือสิบสองใช่ไหมสิบสองบวกนี่สี่ตอนนี้ห้าหกก็เหลือสิบหนาทีนี่บวกแล้วนะบวกที่คอสกชอก็กินมาแล้วนะแล้วอีสิบหนาทีเอา้าเผื่อจะมีใครอัดอั่นตันใจอยากถามสิบหนาทีก็ยังเอาหยุดพอดีหมด อะไรนะเอาขสองนาทีสทุ่มกระบวกไปอีก18บสบนาทีไงแล้วเขาบอกแล้วค้อชอกินไป18ปเอายีสกก็ได้เอาไม่ใช่ไอ้นเขากินไป18นาทีเอออาจจะมาไปเอา12บส อ, อไปลบ12 ไปเอบมาบวกเอาสิบเต็มเงินยีสิบนาทีอ้าวขอโอกาศเอาเลยรัศการครับเอาอุดคารโบครับเอาเอาด้วยก็อาศัยได้จับไหม่ก็เลยถือโอกาสครับอยาวยาวครัวยาวครับผมอครัวยาวคุณรัวยาวก็มันมีเยอะรู้ว่ามีเยอะมันใช่ครับแต่ยาวกับพ่อครูนี่ไม่ดีเลยครับ เพราะว่าคนอื่นเขาเบนคนอื่นเขาเบนใช่ใ่คนอื่นเข้าเบนเยอะเลยครับก็รู้ต่อครับาวสั้นเอาดีแล้วเดี๋ยวจะยาวต่ออย่างนั้นขอเข้าเรื่องเลยครับเอาเลยถามแล้วกันครับเอาว่าพ่อครูเคยเล่าให้ฟังว่าได้บรรลุพระอรหันต์เนี่ยตอนที่ปัสสาวะอยู่เนี่ยครับแล้วผมอยากจะทราบว่าสภาวะตอนนั้นมันมันมัน เป็นยังไงแหะครับมันพอพอพอจะอยากอยากรู้สิ่งที่ <c oughs> มันจะรู้ไม่ได้นี่นะ <c oughs> ครับเพราะท่าน <c oughs> บอกว่าอาจินตยหัวจะแตกตายา <c oughs> ลองสักหน่อยครับ <c oughs> บอกยังไงก็ไม่ไม่เข้าใจได้ง่ายหรอกเอางี้ตอบง่ายๆพระอานนท์ท่าน ต, นตรัสรู้เมื่อท่านั่งนั่งเองจะเนกนอนเขาไม่นอนนั่งเขาไม่นั่งท่านก็บรรลุอ๋อชั้นใดก็ชั้นนั้นน่ะ แต่อาตมาไปอยู่ในออริยบทมันไปเยี่ยวเท่านั้นเองภาษารีบุตรก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเทศให้น้องชายฟังโบกพัดวีไปมันเกิดความซาบซ่านมันเกิดความผิติดมันจะซาบจะซาดอะไรมันก็ตอบไม่ไหวหรอกแล้วอาการอย่างนั้นมันอยู่ในอาการที่ยืนหรือว่านั่ง ร, รว่นอนครับ<อ>เยี่ยวยืนเยี่ยวครับไม่ไม่ได้นั่งอ่าแล้วเมื่อเอ้ยืนเยี่ยวหรือนั่งมันมีโทษเยี่ยวดนึกไม่ออกล้ลืมละอาการเยี่ยว น, ะ น, วนะนะที่บ้านก็โถวเนาะบางครังจะนั่งเยี่ยวหรืออะไรไม่รู้แหละครับแล้ว น, นั่นก็ไม่ได้อธิบายถึงขนาดว่าจะยืนเยี่ยวหรือนั่งเยี่ยวแลบอกว่าพอดีไปปัสสวะครับ แล้วว่าเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยครับพ่อครูได้สเสวยวิมุตหรือเปล่าครับเอา้าก็สเวสวยสิไอสเสวยวิมุตนี่ยนะไม่ต้องถึงสเสวยวิมุตหรอกคุณคนที่มีจิตที่เข้าใครของศาสนาแล้วนี่นะธรรมะแล้วนี่นะมันไม่คิดอื่นเลยคุณเนยะ มันจะอยู่กับธรรมะเลยนุ่นมันก็ธรรมะไอ้น like yep ี่ก็ธรรมะเห็นอะไรอะไรมันก็เป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าธรรมะพระพุทเจ้านั้นมันไม่อยู่ในภพเท่านั้นมันอยู่กับทุกอย่างเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดเลยมันอะไรก็เป็นธรรมะมันจะอยู่กับธรรมะหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปบอกเสวยวิมุตเลยมันเสวยธรรมะใช้เวลาไหมครับใช้เวลาไหมครับ สเสวยวิมุตติอย่างที่พ่อคุกสเสวยเนี่ยครับมันใช้เวลาไหมครับโอ้โห oh, คุณถามใหญ่เลยนี่เนี่ยคุณไปเป็นเอาเองแล้วกันก็เห็นพระพุทธเจ้าครับใช่ไหมครับท่านก็สเสวยมุตต<ม>ิ<า>เจ็ดวันอะไรพวกนี้ครับอย่าไปเทียบเคียงท่านเลยท่านสเสวยวิมุตติของท่านนั่นคือคําว่าสเสวยวิมุตติของท่านคุณก็เดาไม่ออกว่าท่านคืออะไรหลายคนก็อาจจะนึกว่าท่านก็เลยไปอยู่นิ่งๆเหมือนกับอย่างที่ว่าวิมุตติก็คือความสงบ วิมุตตก็เลยไปอยู่นิ่งๆไม่ใช่วิมุตต์คือความหลุดพ้นความหลุดพ้นคำนี้ไม่ได้หมายความว่าความสงบนะสมถะแปลว่าความสงบหลุดพ้นจากโลกีหลุดพ้นจากกามหลุดพ้นจากโลกหยุดพ้นจากความวุ่นวายแต่ไม่ได้หยุดนิ่งวิมุตตไม่ได้แปลว่าความหยุดนิ่งเลยนะแล้วเสวรหยุดนิ่งไหมครับไม่นิ่งก็พูดจบก็ถามปั๊บเลย แ ล, ล้วเมื่อไรจะเข้าใจเนี่ยพูดจบพูดก็ถามถามปั๊บเลยว่าก็บอกเว่ามไม่ได้นิ่งจะบอกว่ามั น, มนิ่งไหมเอ้าก็พูดจบปั๊บก็ถามปุ๊บเลยว่านิ่งไหมครับวิมุตไม่นิ่งไงวิมุตไม่ได้อยู่นิ่งๆไม่ได้เป็นสมถะไม่ได้อยู่จมอย่างนี้ไม่ใช่วิมุตไม่ใช่สมถะก็เมื่อกี้ของเพราะงั้นเสวยวิมุต ข, ของพระเจ้าไม่ใช่มันนั่งยืนนิ่ง ๆ, ๆก็ท่านก็เลยเสวยวิมุตอยู่นิ่งๆไม่ใช่ อยู่สามันนี่แหละท่านก็ตรวจสอบอ๋อความหลุดพ้นเป็นเช่นนี้ความหลุดพ้นเป็นเช่นนี้ความหลุดพ้นเป็นเช่นนี้ก็อยู่กับประชาชนอยู่กับอะไรอะไรหมดนี่แหละแต่คุณเข้าใจเองตามด้วยความเข้าใจตื้นๆง่ายๆของโลกว่าพวกวิมุตต์พวกสวดพวกวิมุตต์พวกหลุดพ้นพวกสงบพวกดับพวกสิทธิ์คือพวกอยู่ห่างๆเงียบๆไม่อยู่กับใคร กูก็เดาว่าท่านเสวยวิมุตติบเวันคือท่านก็ไปอยู่ที่ที่เงียบสงบที่เงียเงียบที่ไม่มีอะไรก็เดินประคมไปมาอยู่คนเดียวไปเลยไปเลยนั้นเข้าป่าไปเลยไปหาธรรมอยู่เลยแล้วปิดธรรมอยู่ตรงนั้นแหละเห็นไหมมันคนละเรื่องเลยครับแล้วที่ว่าเสวยวิมุตต์พระพุทธเจ้าก็เดาวเสวยวิมุตต์ว่าจะต้องไปอยู่ที่เงียบเงียบสงบอย่างนั้นแหะ ซึ่งอาตมาพูดขึ้นมานี่หลายคนก็คงจะบอกโอ้เว้ยเราก็เข้าใจผิดหลายคนเลยเนี่ยว่าวิมุตต์เนี่ยเสวยวิมุตตสิบเกวันก็คืออยู่เงียบเงียเดินจกรมอไม่คบกับใครไม่ใช่วิมุตต์นี่คือต้องยิ่งตรวจโลกเลยโอ้โหไอ้นี่มันรุนแรงไอ้นี่มันจัดจ้านี่นอะไรแต่วิมุตต์ของพระพุทธเจ้านั่นะเน่ยเหนือชั้นกับอาตมาหลายเยอะท่านยิ่งกว่าพระอรหันต์จี้กง อยู่กันในโกนี่โอ้โหวิมุตของท่านสเสวยวิมุตออมันสงบว่างขนาดนี้เนาะแม้แต่ก้อนน้าแข็งกลางเตาหลอมเหล็กนี่น้ําแข็งนี่ยังเท่าไหร่ละความเย็นกี่องศาของมันอยู่ยังงั้นไม่มีการระเหยเลยไม่ระเหยเลยครับแล้วหน่อยครับเห็นไหมว่าสเสวยวิมุตเนี่ยก็เข้าใจยังไม่ชัดเองครับก็ยังไงก็ต้องพยายามหาทาง เข้าใจให้จนได้ครับก็นี่ว่าจะไม่ยาวนี่ยาวแลวนะนี่ไปกี่กิวนทีนีเกือบหมดเลยนี่ยีนาทีอ่ะก็ไหนๆก็เหลือเวลานิดเดียวครับเอ้ยให้คนอื่นบางที ถ, งถึงแล้วแล้วก็กเอาหมอหมดได้ไงก็อันนี้อันนี้มันก็นี่ความเขง็ขงแก่ตัวมันขึ้นมาแรงเนี่ยก็อย่างงั้นแหละครับอ้าวแล้วกันก็บุหยุดสิถ้างั้นก็พอแล้วครับอ้าถ้าก็ยังจะไม่หยุดอีกโเคกัตัวจะแข็งแกตตัวต่อไปได้ไงยังไม่มีเวลาแล้วหมดแล้วอ้าวเหลือนิดหน่อยใครเร็ว อีกนาทีเขาอาตมานะให้ยีสบนี่ไปสี่น้องเขโอกาสค่ะดาเพนนาวาบุิยมค่ะก็ไม่ไม่ถามพ่อค่ะแต่ว่าจะบอกว่ามีมีไฟในการที่จะจัดการกิเลสมากขึ้นค่ะเอาสิก็อย่างนี้แนะแม่ดีมากเลยโอ้โหอนุโมทนาสาธุโอ้โหเกิดอย่างนี้ก็ดีแล้วละ่ะเกิดไฟที่จะ ตัดกิเลสนี่ม า, าก็ต้องการอย่างงี้แหละใครเกิดบ้างนี่กิกี่คนนะเกิดไฟที่จะตัดกิเลสโอ้โหมากเพราะฉะได้หลายคนไม่กล้ายกมือไม่รู้ว่ามีไฟหรือเปล่าอยังเย็นๆอยู่เลยยังไม่อุ่นเลยนะไม่มีไฟเหนาอ้าวกลายเป็นอีกมุมนึงเลยเหนาเลยโอ้ อา้าใครอีกเร็วเอา้าเอา้ายกมือแล้วกันไมโครโฟนจะได้เดินไปหาอา้าวช่วยส่งกันหน่อยมันก็ดีนะอาตมาบรรยายธรรมะโลกุตระอย่างนี้ก็ยังมีคนรื่นเริงได้ทำเงียแต่าาที่ย<อ>ัง่วงแล้วง่วงอีกนี่ไป็นโอากาสนะครับผมงท้าแก่งธรรมนะครับวันนี้ได้ความรู้ใหม่นะฮะที่ว่าคนตายไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ร่างกายที่ตายไปกายไม่ใช่กาย คือร่างที่มันตายไปเนี่ยคือคนที่ตายไปและร่างที่ตายไปเนี่ยกับไม่ใช่กายอ้าวมันไม่ใช่กายไม่มีองค์ประชุมแล้วมันเหลือแต่อดินน้ําไฟล้มครับตัวตัวที่วิญญาณร่วมด้วยแล้วมันจะไม่ไม่กายได้ไงล่ะกายต้องมีวิญญาณร่วมด้วยต้องมีชัดเข้าใจครับพอเข้าใจแล้วเพราะไอ้คนตายมันไม่มีกายแล้วคือกายคือความเข้าใจของคนทั่วไปที่เขาบอกว่า ตายคือคนเนี่ยคือกายไงท่านร่างกายนั่นแหละความเข้าใจภาษาไทยว่ากายหมายถึงร่างแต่กลับเป็นว่ากายจริงๆอ่ะคือคือตัวที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะเป็นตัวที่จะไปเกิดใหม่เป็นตัวที่จะจุดติใหม่เป็นวิบากอ่าเป็นวิบากไปอะไร้กายติดตัวคนวิญญาณตายไปนู่นครับไอ้ที่ร่างก็ไม่มีกายครับ มันมีองค์ประชุมเขาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปกันน่นซึ่งจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้คนทั่วไปเขาจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หรอกแล้วเขาจะไม่เฉลียวใจด้วยว่าไอ้ตัวที่มันจะเป็นกายจริงๆก็คือที่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะสนับสนุนว่าที่ว่าเพราะฉะนั้นเขาถึงเข้าใจไม่ได้ว่ากายปฏสสัทธิกายสงบนั้น คือเวทนาสงบสังขารสัญญาสงบสังขารสงบเขาก็ไปเข้าใจว่าร่างนงี่สงบกายสงบกายประสัทธิก็ถึงไปเข้าใจและเมื่อไหร่แล้วมันจะไปพิจารณาธรรมะบรรลุอรหันต์หรือบรรลุโลกุตรันบรรลุโลอริยะทำกันสักทีใช่ไหมแค่นี้แค่นี้แค่กายประสัทธินี่นคุณก็ไปเอาแต่ร่างแล้ว มันซึ่งมันไม่ใช่เลยก็ยืนยันแล้วพทธิเกอาของพระเจ้ามาตรัสที่ตรัสไว้มาบอกก็มันคือเวทนาสัญญาสังขารกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันสงบไม่ได้ไปหมายเอาร่างหรือว่ารูปสงบมันไม่มีเลยว่ารูปสงบแล้วยังเจาะเข้าไปหาในด้วยนะเวทนาสัญญาสังขารไม่บอกว่าวิญญาณสงบด้วยถ้าวิญญาณสงบก็ไปโน่นไปหาจิตจิตสังขารก็หมายว่าวิญญาณท่านก็บอกอีกอันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับเอ้า ครับเป็นความลึกซึ้งมากครับ uh. ค, คือแค่แค่คําพูดอย่างที่ผมได้พูดออกไปนี่นะฮ ะ, ะซึ่งถ้าพูดถึงคนทั่วไปเนี่ยถ้าเขาจะฉกที่สักนิดหนึงว่าการที่วิญญาณที่ออกไปแล้วไปเกิดเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าระลึกชาติได้เกิดไปไปเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้เป็นร่างที่ว่าตายไปแล้ว นะแล้วก็จะไปเกิดเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมันจะไม่มีความหมายเท่ากับความลึกซึ้งของเวทนาสัญญาลังขงามวิญาณที่เป็นตัวไปตุ้ดิกมาเป็นตัวศึกษาเลยเป็นตัวเรียนรู้รไม่ต้องไปคํานึงหรอกเพราะนั้นมันไปตามจริง ค, รคนตายแล้วเนี่ยสิ่งที่ไปเกิดคือวิบากวิบากจิตไปเกิดออกไปจากราก่างเรคือวิบากจิตของเราเป็นอัตภาพไปแล้วมันก็ไปรับวิบากนั้น มรดจวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยมันเป็นร่างวิบากไม่ได้รู้อะไรกับใครไม่ไปเกี่ยวอะไรกับใครเลยทุรังคำังเอกเจรังไปเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ความไม่รู้กันเลยมาเป็นนิยายโอโหตายแล้วก็ไปเจอสวรรค์ไปเจอนรกไปเจอคนนั้นไปเจอคนนี้ไปเจอโอ้สารพัด อุปทานสร้างเองทั้งนั้นเลยเพราะงั้นเป็นนิทานที่สร้างขึ้นมาเองมากมาย โ, โอ้โหนักประพันธ์ที่สร้างนิทานพวกนี้นี่นับไม่ทัวนเพราะว่ามันนานมาไม่รู้กี่ล้านลาน้ลานปีแล้วจึงเยอะมากเลยไม่รู้กี่ล้านล้านล้านคนที่สร้างไว้นิทานมันจึงเยอะมากเลยอาตมามาพูดเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้รู้อย่างนี้ไม่ได้รู้ความจริงอย่างนี้พรออาตมาพูดขึ้น เขาก็หวร่อฟันล่วงกันไ ป, ไปแถวๆเลยก็อาตมาอาอะไรมาพูดแล้วพวกคุณเชื่ออาตมาหรืนเนี่ยทำไมเชื่อทําไม่หลอกง่ายจังะอาตมามาหลอกกันเนี่ย ไม่ได้หลอกเหรอพออย่างนั้นถ้าบอกว่าคุณจะไม่เชื่อใครคุณจะเชื่อตัวเองต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่อท่นานเห็นมาพนกนลามาสูตรไม่ได้เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าเราเชื่อสิ่งที่จริงที่ชืนยันอีกประเด็นเดียวเหรอประเด็นเดียวครับอ้าวอ้าวใครอีก <c oughs> อ้าว <c oughs> ดันเมก กัโอกาสครับรู้สึกจะกฟิตนะเนี่ยต่อทำอาหาแรแห่ๆจะมากินทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยครับต่อจากปูเถานะครับสัญญาที่เป็นอัตภาพนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันมันจะตามเราไปใช่ไหมครับเป็นตัวผีช้าถ้ามันบริสุทธิ์แล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่บริสุทธิ์แล้วว่ามันจะพาเราไปเกิดยังไงแล้วก็ถ้าจะดับสัญญาที่ว่าที่บริสุทธิ์เนี้ยอ้าวตรงลง สัญญาตัวนี้คือความจำกับความหมายรู้คุณถามว่าบริสุดแล้วก็คือสัญญาของพระอาหารหันต์ถ้าคุณเป็นพระอาหารหันต์ตั้งจิตตอบพบตอภูมิจิตของคุณก็มีสัญญาหมายของคุณใช่ไมว่าคุณยังไม่จบนะใช่ไหมคุณจะต่อพบตอภูมิอยู่อัตภาพนี้ยังเหลือนะเป็น ปณิหิตังจิตตั้งจิตที่ตั้งลงไปก่อนจิตที่ตั้งไว้อยู่ยังไม่ยังไม่ยอมจบยังไม่สูญสัญญานั้นสะอาดเป็นพระรหันต์แล้วรู้แล้วตายก็รู้าเออนี่ตายแล้วเพราะอะไรเอา้าก็มันไม่มีตาหูจมูกรินกายมันก็อยู่แต่ในภพนะอยู่ในแต่ในภพเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ในภพ พบของคุ ณ, คณที่มีแต่ภายในกับพบที่มีภายนอกคุณรู้ไ้มล่ะไม่ใช่พระอรหันคุณรู้ไหมคุณยังไม่ใช่พระอรหันคุณรู้ไหมพบที่มีภายนอกเออมันมีภายนอกสัมผัส ต, ตาหูจมูกลิ้นกายก็คุณไม่ได้อยู่ภายนอกแล้วตอนนี้อยู่ในภายในยิ่งหลับเลยไม่ได้รับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายประสาททั้งห้านี่ไม่รู้เรื่องเลยยิ่ง อยู่ข้างในหลับปีเลยตัดทวาวรห้าวไปเลยมันก็ต่างกันรู้ไหมคุณรู้ไหมต่างกันไหมต่างไหมต่างกันครับเออขนาดคุณเนี่ยยังไม่ทันจะเป็นอรหันต์คุณก็รู้แล้วแล้วพระอรหรนันต์ท่านยังไม่รู้เหรอพระนั้นก็มีสัญญากําหนดรู้ว่าอ๋อ นี่มันไม่มีแล้วนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใน้แล้ว า, านก็ไม่ด้อยากได้อะไรนี่อยากจะสนุกก็ไรอยากจะสุขสุขอะไรโลภีท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ท่านก็หยุดหยุดก็ไปตามวิบากท่านไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มันเป็นอัตุขกรมสุขท่านก็อยู่ที่พบอัตุกขรมสุขเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า พระโพธิสัตว์ทุกองค์ที่ตายแล้วก็ไปอยู่ดุสิตอยู่แดนสงบเป็นสันตุสิทธิเวราชอยู่ที่นั่นอยู่ชั้นสี่ของสวรรค์สงบจนกว่าจะวิบากที่จะต้องมาเกิดมาเข้ามาเป็นร่างที่จะมาทำงานมาอะไรอีกก็ว่าไปตามวิบากถึงอันนี้เป็นอาจินย์ใจอธิบายไม่ไหวแล้ววิบากนี้ ถ้าอาตมาอาธิบายกรรมวิบากนี่ได้อาตมาก็เก่งยอดแล้วเนี่ยไอ้จินไต้ข้อหนึ่งอาตมาก็อธิบายวิบากของพระพุทธเจ้าทัวนั้นเองไม่ได้จนไตจินไตข้อหนึ่งเหมือนกันพอเข้าใจไหมสัญญาของท่านก็รู้แล้วถ้ากําหนดมารู้ว่าอ้ากฎ ม, มันตายนะนี่มันไม่มีอะไรท่านก็รู้ นคนธรรมดาไม่รู้ตายแล้วหลงไสรโกหลงสวรรค์ดิ้นหานรกดิ้นหาสวรรค์อยู่อย่างนั้นนั่นแล้วก็ยิ่งดิ้นสวรรค์อยากได้สวรรค์ยิ่งไม่มีสวรรค์ให้เพราะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือสวรรค์จริงและตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่มียิ่งดิ้นแล้วก็ยิ่งโง่เพราะมันไม่รู้ว่าถูกองเองตายตัวเองก็ดิ้นแล้วมันจะแรงแค่ไหนคุณคิดดูสิ ไอคนที่ดิ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเดมันดิ้นไปทำไมดิ้นไปโดยไม่มีทางเลยนะมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสุกพวกนี้นะมันสุกตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้พวกกามตาหูจมูกลิ้นกายในพวกกามส่วนพวกนั่งสมาธินี่แหละพพุทธเจ้าถึงอุทาราชิบหายแล้วหนอนั่งสงบไม่มีอะไรกวนเลย คุณจะนับเวลาให้เขาเท่าไหร่คุณจะนับเวลาให้เขาเท่าไหร่อีกกี่ล้านล้านปีแสงไอคนที่นั่งสงบมาพอมันไปได้สงบแล้วมันก็ไม่อยากออกใช่ไหมนั่งสงบมาอยู่ในภพอ่ะมันก็ไม่อยากออ ก, งงอ ก, อ ก, ออกแล้วมันก็ไปได้ตายแล้วมันก็ไปได้ คุณลองให้สิมันจะมีอายุปีกี่ล้านปีแสงจนกว่าวิบากที่มันมีจริงน่มันจะคุยให้เขาออกมาเท่านั้นเองโดยเจตนาของเขาโดยจิตที่เขามุ่งมั่นโดยเขาาก็ชอบไปสิใช่ไหมพวกนั่งสมาธิสงบพระพุตรยาเ่าบอกชิบหายแล้วนอนตายแล้วมันจะไปช่วยอะไรได้เนี่ยมันจมไปอีกกี่นานเท่าไหร่เนี่ย น่ากลัวเสียเวลาไปอีกตั้งเท่าไหร่เพื่อนลงมามีลูกไปสิบคนแล้วขึ้นไปสวรรค์ไอ้นี่แค่สวรรค์ยังนั่งเก็บดอกไม้อยู่เลยไอ้นี่มันจมไม่รับลูกอะไรใครเลยนี่โอ้โหเอาเลยกี่ล้านปีแสงคุณให้เข้าไปมันจะอายุนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพวกตายพวกนี้เนี่ยกว่าจะได้เวียนมาเกิดเป็นคนยิ่งพวกนี้และพวกนั่งสมาธินี่นยิ่งอ ไม่รู้กี่ล้านปีแสงกว่าจะได้มาเกิดบิสบิสนักการครับรท่านครับถามต่อจากที่อธิบายมัตสกีเนี่ยนะฮะที่พ่อท่านบอกว่า พระอาหารหันต์ตายแล้วเป็นพระบริสัทธ์ตายแล้วได้ไปอยู่ในภพสงบที่ชื่อว่าดุสิตคราวนี้ถ้าหากเป็นผู้ที่ตายหลังจากได้อรุปฌานอย่างที่พระนธุนว่าเนี่ยในขณะที่เขาไม่ดิน้นไม่อะไรเลยเนี่ยถือว่าเขาได้เข้าสู่ดุสิตไหมครับได้ไดดุสิตได้ดุสิตเป็นดุสตโลกีเลยครับดุสิตโลกีเลยแต่พระอรหันต์เนี่ยไปสู่ดุสิตมเป็นโลกุลรลกลตระอาาร่า <Wow. S 2> มันคนละเรื่องกัน แต่มันสงบเหมือนกันแต่สงบอันนี้สงบไม่มีวิบากสงบมนุษย์ง ส, งสงบวิบากโดยเฉพาะวิบากแค่นั่งดับหลับหลั บ, ลบพวตัวเองเลยกระชื่นชอบเนี่ยก็จบไมรู้เป็ลาล้านปีแสนเวลาวิบากบาก็จะคุยมาเท่านั้นเองผมเคยได้ฟังเพื่อนเอาตำนานที่ไหนมาเล่าให้ฟังไม่ทราบนะครับว่าคนที่ ได้อรูปฌานแบบโลกีนี่น่ยพอตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่มีวิบากมาเกิดเป็นหมูอย่างนี้มันจะมาเกิดเป็นอะไรก็ตามวิบากอีกแล้วนะเป็นอาจินไตมันเป็นหมูเป็นหมาอะไรก็จะไปรู้ได้ยังไงคุณจะไปทําบาปให้มันเป็นหมูเป็นม้าแล้วกันดีไม่ดีเป็นหมาขี่เรือนอนอกจากขี่เรือนแล้วมันมีใครชอบด้วยนะไม่มีใครสงสารเลยด้วยนะหมาขี่เรือนบางตัวคนยังสงสารเอาไป เอาไปปวนเอาอีกนาทีสุดท้ายใค ร, มรหมดเวลาไปตามเวลาที่ร อ, อ เ, เอาอาตมาสรุปกันแล้วกันเอาตกลงก็วันนี้อาตมาก็ว่า แต่ไขอะไรขึ้นมาอีกกระจ่างกันเยอะมันจะมีอีกเยอะ ๆ, ๆอยู่ที่อตาตมา ย, ยังไม่ได้โอกาสแต่ไขมันเป็นโอกาสไปโอกาสไปวันนี้เอาไปเอามาเลยเนี่ยเรียนสรรค่าสร้างคนภะพไว้เป็นพุทธชีวศิลป์เป็นธรรมะโลกุตระโอ้โหเขาไปดิง่งไม่ได้ออกมาหาสังคมเลยนะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยสรรค่าสร้างคนเหมือนกันตามที่ท่านดินไทยเสนอ นะเพราะวันนี้มันไม่มันมันในไหนมันก็ในไห น, น, นไปแล้วเนาะอ๋ะอคุณแม่พูดไปมันก็ต้องไปหาสังคมเขาบั่งคุณจะไปทิ้งสังคมเขาได้ไงนะเอาไปหาสังคมเขาบั่งเอาเท่ามันไม่ใช่ความปิดของคุณหรอกอาตมาก็ไปให้อาหารที่คุณกําลังติดซะด้วยนะนี่ถือว่าอาหารกาลังติดซะด้วยไปติดธรรมะ ก็เลยไปซะใหญ่เลยเลยมสมค้อยกันนะมันก็ได้เท่านั้นนะก็เป็นประโยชน์นะดีอาตมาก็อุ่นใจนะว่าเออไม่ได้โบรเตียวว่าเวพูดไปแล้วไม่มีใครฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องโอยเหงาว่าเวนะแต่นี่พูดไปแล้วโอ้โหมีเพื่อนมีคนรับรู้มีคนที่เข้าใจไปแล้วไม่เสียเปล่าโอ้กำลังใจมาเป็นกองเลย อ้าตั้งใจใหม่พรุ่งนี้พบกันวันนี้นอนกันก่อน